บงคล น, นะครับค่อนข้างอีกทีก็ไมได้ถึงเป็นเท่าไหร่แตบบ่อยากจะตราบเรียนอาจารย์ว่าผมติดตามผลงานของอาจารย์มาเป็นรุ่มสิปีกันแล้วก็วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่ได้ได้พบดวงจงรนะครับของอาจารย์ครับเพราะฉะในวันนี้นะครับตลอดเกือบสองชั่วโมงทั้นั้นแต่นี้ผมกับโบวี่นะครับ จ, จะเป็นนาที่วิทีกรในการสัมภาษณ์อาจารย์สายนนิษฐานครับซึ่ง การสัมภาษณ์ในครั้งนี้เราจะเป็นอึ่งเสวนานะครับเป็นเชิพูดคุยให้กับว่าราาัฐมนารีท่านมีผลงานมากมายนะครับเป็นพาา้านักสผยแผ่ธรรมนะครับทา้งการดุรักษาไม้นะครับแล้วก็ทั้นการเป็น อ, องค์วากสานะครับเป็นคอร์ริสให้กับทางนิติศาสตร์ด้วยนะครับเราเริ่มคำามแรกไปเลยเพราะว่าในครั้งนี้เ่ยจะเป็น หัวข้อเกีย่ยวกับธรรมะกับชีวิตยุคใหมะะ่สำหรับคำถามแรกนะคะก็แน่นอนว่ายุคทีนี้เราเป็นุเกี่ยวกับดิจิทัลวันนี้เราก็จะมาพูดคุยนะคะถามพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัลทุกอย่าง หนึ่อย่างพูดเลยแบบนี้เลยความแตกต่างกันปในสิบปีที่ผ่านมาด้วยเรป็นสีปีสี่ปีพลาสต์ในตอนนี้เราจะกลายเป็นไฮไลท์สุดๆในไม่ช้านะครับการพิจารณาข้าราชการว่าในสภาพสังคมไทยเนี่ยในช่วงระยะ 10- 20ึงยี่ปีที่ผ่านมาการปกคงปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปมากเท่าครับเป็นคําถามที่ใหญ่นะแต่ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยในภาพรวมเนี่ยเราก็เห็นความเตลี่ยนแปลงทั้งที่ ดีแล้วก็น่าเป็นห่วงความเปลี่ยนแปลงที่ดีที่อาตมาเห็นกนะ็คือว่าคนเนี่ยสนใจเรื่องธรรมะเข้าวัดมากขึ้นสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นช่วงสิ้นปีเนี่ยหรือปีใหม่เนี่ยอาตมาอยู่ที่วัดนสบายเลยไม่ค่อยมีคนมาเท่าไหร่นะบางทีแล้วก็หลบหายเข้าไปในป่าได้ แต่เดืนี้เนี่ยไปไม่ได้แล้วต้องดู่ที่วัดเพราะว่ามีคนมาคนมาปฏิบัติคนมาสวมเงินข้ามปีทั้งสองวันเลยนะคือวัดป่ดาสุโกโตแล้วก็วัดป่ามะเฮาวาจะไปไหนไม่ได้อันนี้เพราะว่าคนเนี่ยสนใจปีใหม่เนี่ยกลายเป็นเทศกาลของการเข้าวัดมาปฏิบัติธรรมหรือการมาทำบุญซึ่งที่สุบปีทแล้วเนี่ยมันมีห้าวันี้อย่างน้อยที่วัดอตามาซึ่งก็คงอะเป็นตัวแทนของวัดจำลองบ้าน ม, ามิตรบัณฑิต แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงที่น่ากมงวงก็คือว่าสังคมเนี่ยเร่งรงมากขึ้นที่อยู่คนมีความสุขสบายมีความสะดวกสบายว่าเมื่อก่อนเยอะนะแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยที่มันเข้ามาโดยเฉพาะอ่า Internet, อินเทอร์เน็ตดิจิทัลเทคโนโลยีมันทำให้ชีวิตคนเร่งรีนมากขึ้นและทำให้คนเนี่ยมีความเครียบ มีความวิตกกัวงวลในเวลาเดียวกันก็มากขึ้นนะโลกเนี่ยดูมันเล็กลงมีคนผู้วันเนี่ยโลคการพิษวัดก็ดีส ocial media เนี่ยมันทําให้โลกเราเล็กลงแต่ว่าคนเนี่ยเดินทางตางจากกังหัดมากขึ้นไม่ได้เดินทางกับเฉพาะคนข้างบ้านไม่ได้เดินทางเฉพาะกับคนในบ้านเดินทางเป็นตัวเองด้วย เดีย๋ยวนี้บอกไม่ได้ว่าเป็รู้สึกอย่างไรคนอย่างนี้เนี่ยถ้าถามว่ารู้สึกอะไรตอนนี้ันคทีต่อใไม่ได้บางทีมันแสดงว่าเห็นว่าเนี่ยนผ่านตัวเองมากแล้วก็ที่เห็นว่านคนเนี่ยมีความรู้สึกแต่ที่โลกดูมันกว้างขึ้นเพราะเราเข้าสู่เทคโนโลยีแต่ว่าคนนี้รู้สึกว่ความคิดหรือใจคอที่แคบลงโปร่งง่ายเปลียง่ายอันนี้ก็คือสิ่งที่อะมาพอจะสุด การเปลนแปลงในชว่วงนี่สุดที่ผ่านมาตั้งแต่ตอนช่วงที่ เ, าเราเข้าปีใหม่มีข่าวส<ช>ุดเกิใจมากมายนะครับท<ช>ั้งการทําร้ายกันการงชิงทรัพกันนะครับหรือว่าเป็นข่าวการแชร์ข้อมูลต่างๆที่เป็น่าลบตามทักศนะของท่านอาจารยแล้วเนี่ยในยุคนี้ศิลธรรมของมนุษย์โดยรวมมีความเสื่อมลงมากทีเดี ถ้าพูดในภาพรวมนะกินอยู่เนี่ยอย่างที่ธรรมาบอกคนก็สนใจธรรมะมากขึ้นแต่ถ้าพูดในภาพรวมนล้วเนี่ยรู้สึกว่าคนเห็นแกนตัวมากขึ้นด้วยอย่างมากเพราะในคนไทยที่ดิฉันนะแล้วก็ที่ดิฉันตัวมากขึ้นสนะ่วที่ธรรมาสังเกตก็คือว่าสิ่งที่พระสัจจ์ความซื่อสัตส์จริงเนี่ยเอนมีน้อยลงการทุจริตนะรวมมัดรวไปถึง าการโกงการคอ ร, รัปชันเนี่ยมากขึ้นทุกจริตเนี่ยรวมถึงทุกตริตในห้องสอบทุจริตในการเรียนนะอันนี้ก็เกิดขึ้น ท, ทั่วไปหมดทุจริตในวงการต่ตางๆหรือเรื่องธรรมดาอันนี้คือเห็นได้ชัดเนี่ยนะส่ว น, นกนิจกรรมใดๆนี่อาจจะเกิดขึ้นกับคนบางประเภทนะประเภทที่จะฆ่ากันนะ มันก็คงไม่ได้เกิดขึ้นคนส่วนใหญ่คนส่วนใหญ่ก็ไม่ทำหรอกแต่ว่าที่ทำกันเยอะเนี่ยอาจเรียกว่าเป็นเป็นพฤติกรรมคนส่วนใหญ่หรือก็ว่าได้ก็คือความไม่สุจริตการทุจริตไม่ว่าในโรงเรียนนะไม่ว่าในส่ายที่ทํางานที่ราชการเราไม่ต้องพูดถึนักการเมืองนะนั้นคนส่วนน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยตระมาคิดว่าเราใส่ใจในเรื่องนี้น้อยลงก็คือความซื่อสัตย์สุจริ เ ป, เป็นเหมือนกายเป็นเหมือนมาตรฐานที่คนส่วยอมรับกันได้มาใชอ่าใช่รวมทั้งว่าการละเมิดกฎเกณฑ์นะการแกลเคารพสิทธิของคนเนี่ยซึ่งต้องเกิดขึ้นจากความเห็นแก่ตัวนี่มีมากขึ้นนะอะไรที่ทำได้เนี่ยที่จะเอาเข้าปอประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยก็จะทำยิ่ถ้าไม่มีคนเห็นก็ทำได้ง่ายขึ้นในฐาคนนี้น่าจะถ้าเราก็ทำอะไร นะก็ น, น่าจะมีเสื่อายมาว่านีแน่นอนอยู่แล้วนะอารย์ะเอออย่างที่เมื่อสักนี้บอกว่าจริงๆเหมือนคนสนใจธรรมามากขึ้นแต่ว่าทาไมคนถึงแับเหตัวมากขึ้นเหมือนศิลธรรมน้อ ย, มยง ม, มันเป็นพระไจริงๆเนี่ยมาชื่อว่ายุกเนี่ยมันเป็นลูกที่เาเรียกว่าทุกบริโภคนิยมลูกบริโภคนิยมเนี่ยมันก็ เป็นส่วนของปัะถูโยโยนิยมบริโภคนิยมเนี่ยมันหมายความว่าคือความเชื่อว่าเราต้องมีให้ามากความสุขอยู่ที่การมีให้มากมีมากเท่าไหร่ก็สุขมากเท่านั้นใช่ไหมอันนี้ส่วนนึงก็เกิดจากระบบการผลิตหรือระบบการโฆษณานะซึ่งมันเป็นกระแสอย่างสองคนที่กระตุ้นให้คนบริโภคทีนี้เนี่ย มันจะมีสิ่งกระตุ้นเราเรอเราย่อยย่นให้เราบริโภคไม่ว่าจะเป็นบริโภคอาหารหรือว่าบริโภคด้วยการจัดจ่ายใช้สอยสินค้ารวมทั้งบริโภคข่าวสารข้อมูลครนะนี้เนี่ยพอพอเรามีความเชื่อข้อถูกความานด้วยทุ่บนของบริโภคนิยมว่า ความสุขอยูที่การมีให้มากามอยที่การเสดเนี่ยนะมันก็นําไปสู่การกระตุ้นกิเลสกระตุ้นตัณหาและทําให้เกิดความแก่ตัวมากขึ้นแทนที่เราจะมองว่าความสุขเกิดจากการที่ได้ทำสิ่งดีๆความสุขที่เกิดจากความสงบภายในเนี่ยเดีย๋ยวนี้ความสุขในทัศนคตส่วนใหญ่เนี่ยมองว่าความสุขมันอยู่ที่วัตถุต้องมีวัตถุให้มากลุงจะมีความสุข อันนี้มันเป็นมันเป็นเรียกว่าเป็นวิชาทิกทีก็ว่าได้นะแต่ว่ามันถูกลูกฝังในทุกที่ตั้งแต่ในบ้านในโรงเรียนจากสื่อต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็นำไปสู่ความอยากจะมีนะ และถ้ามันมีน้อยก็ต้องแข่งขันก็จะการบรบรบกวนเอาไม้ใกล้ใกล า, างลนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้ยิขอบคุณครับเรื่องจากว่ามีความเชื่อว่าความสุขเกิดจากการมีเป็นการเสริเกิดจากการครอบครองเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องแข่งขันนะเพื่อให้มีล้ามากมันก็นาไปสู่การเดียงเดียนําไปสู่การทุจริต และปัญหาของสังคมไทยอย่างหนึ่งเนี่ยซึ่งอาจจะเป็นมือที่อื่นก็คือคนในสังคมอย่างอเมริกาอย่างญี่ปุ่นเนี่ยก็อยากรวยก็อยากมีสิ่งที่เขาทําก็คือขยันทํางานหนะักนะแต่ของเราเนี่ยอยากรวยแต่เราไม่อยากทํางานหนะักง่ายเราก็หวังล่ำรอยฝอยโชค้คได้ประโยมน์าทางรัฐตอนนี้สองไทยเนี่ย นะในด้านนึงเนี่ยก็ไปแข่งขันเอาเปรียบเพื่อจะได้มีมากๆอีกด้านนึงก็หวังล่ำลอยลอยโชคและเโยมทางลัทธหวังร่ำลอยลอยโชคก็เช่นอธิษฐานบนบาสานกล่าวนะหรือว่าทุจริตรวนทั้งการพนันนะตรงเนี้เกิดขึ้นมากนะจากนี้ เ, นเราจะเห็นเลยนะว่ามีความพยายามที่จะ ที่จ ะ, อะขออะไรก็ได้ทําอะไรก็ได้เพื่อให้เรารวยเร็วๆโดยที่เราไม่ต้องเหนื่อยทำยังไงจะเรียนเก่งได้โดยที่ไม่ต้องขยันมากนะมันก็ำกกนำะไปสู่การทุจริตไปสู่การหวังพึ่งโชคหวังพึ่งอํานาจบนบันไดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับวิธีธรรมะเนี่ยจะมาช่วยเราตรงนี้เนี่ยในการที่จะปรับมุมมองอในการใช้ชีวิตใหม่ให้ยังไรนะครับ เพราะว่ลักษณะของคนคนไทยในในส่วนหนึ่งที่อาจารย์กล่าวมาจะตรงกับทางจิตวิทยาที่บอกว่าคนเราเนี่ยจะมีอานาจความเชื่ออำนาจทุม อ, อ่งางภายในตัวสองแบง่แต่แรกคือแบแบเชื่อว่าอิทธรณ์ภายนอกมีมีอำนาจมากกวเราเช่นสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าโชคชะตาอีกแบบหนึงคือภายในก็คือเชื่อว่าตัวเราเนี่ยเป็นเจ้าของชีวิตที่เราสา ม, มารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเอได้ ครับซึ่งจริงๆแล้วธรรมะสอนให้เราเชื่อในอำนาจควบคุมภายในตัวเองใช่ไหมครับคือพื้นฐานเลยนะเราตอนไม่ทราบาศาสนาอื่นแต่พุทธศาสาศนาเนี่ยไม่ได้สอนว่าให้เราทำความดีอย่างเดียวแต่สอนให้เรารู้จักความสุขที่แท้และความสุขที่แท้เนี่ยมันก็เกิดจากข้างในนะความสุขสามารถจะพบได้ในใจเรา แต่ว่าความสุข น, นี้เนี่ยอาจจะเริ่มต้นจากการที่เรารู้จักลงมือทำความดีกว่านะเช่นการให้ทานเนี่ยถ้าเรารู้จักให้ทานเนี่ยจริงอยู่นะเมื่อเราให้ทานเนี่ยเงินในกระเป๋าเราก็น้อยลงแต่สิ่งที่เราได้คือความสุขคือความสุขใจเมื่อเราทําความดนะีเรามีความสุขที่ได้ทําความดีเป็นความุึที่ใจถึงแม้เราจะเหนื่อย ไปปลูกป่าตางแดกนะไม่สบายไม่ไม่สะดวกใานะแต่ว่าใจเนี่ยสบายมีความสุข ใ, ในศาสนา จ, จะสอน้วยเพราะความสุขที่เกิดจากจิตที่สงบจิตที่ปราศจากกิเลสหรือว่าถูกาบกวนด้วยกิเลสน้อยลงนะเสียงครับผมจิตที่เห็นถึงความจริงของเห็นสัจธรรมของโลก จนกระทั่งรู้จักปล่อยรู้จักวางได้สามารถวางจิตวางใจให้สอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติซึ่งแปลเปลี่ยนไปไม่คงที่ปัญญาที่เห็นและเข้าใจความจริงเนี่ยช่วยทให้ใจเราสงบนะอันเนี้ยคือสิ่งที่ธรรมะเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยจะช่วยทําให้เราได้ประจักษ์ซึ่งจะทําให้เราเนี่ยไม่เห็นความจำเป็นต้องไปแข่งกับใครไม่ แล้วก็เราต้งเห็นโทษของความโลภความโกรธที่เกิดขึ้นดูเหมือนว่าความสงบเนี่ยก็ค่อนข้างจะห่างไกลจากไกลรานเมืองนิดนึงนะครับเม่อกีาจารย์พูดถึงเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องของเทคโนโลยีครับซึ่งคุณโบวีน่าจะมีประสบการณ์ตรงนี้ก็ค่อนข้างเยอะใช่ค่ะอาจารย์ปัจจุบันนี้นะคะก็เป็น ยุคของโซเชียลมีเดียจริงๆทุก ค, คนติดมือถือกับ ม, มือถือเปน ต, นตลอดเวลาเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าสิ่งที่เปิดเลยลก็จะเป็นโปรแกรมชัทคุยกันเฟซบุ๊กหรือว่า Instagram, อินสตาแกรมเนี่ยอัปเดตข่าวสารไดนตลอดเวลาเลยค่ะพระอาจารย์อยากให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำคนรุ่นใหม่นะคะไปเริ่มยุคไปเริ่มยุคใหม่ด้วยเกี่ยวกับเรื่องการใช้โซเชียลมีเดียแบบนี้ค่ะของกุ่มนี้เนี่ย นะมันเป็นบ่าวที่ดีแต่เป็ น, นาลายเดียวเป็นบ่าวที่ดีเป็นนาเยนเดียวหมายความว่าถ้าเรารู้จักใช้มันเนี่ยมันจะเป็นประโยชน์มากเลยเข้าถึงข้อมูลข่าวสารสามารถจะสื่อสารกับผู้คนลดเวลาที่ต้องใช้ในการเดินทางเป็นต้นลดนักการเผยแพร่สิ่งดีๆให้กับผู้คนและรับรู้ สิ่งดีๆที่ผู้คนได้แบบงันให้เราแต่ถ้าเราให้มันเป็นไลนเราเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้มีปัญหาแล้วทุกวันนี้เนี่ยนะเราปล่อยให้สมาร์ทโฟนเป็นนายเราถ้ามีกา ร, การวิจัยพบว่าคนจำนวนไม่น้อยเนี่ยถ้าไม่มีสมาร์ทโฟนหรื อ, อใกล้ๆมือเพราะไอโฟนเนี่ยจะไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เวลาประชุมในสถานความมั่นใจเยอะเลยนะถ้าไม่มี iPhone อยู่ใกล้มือ ยังก็เป็น <S <S นะนะและ 80% เนี่ยนะตื่นขึ้นมานะายใน15นาทีจะเปิดสมาร์ทโฟนอันนี้ก<ช>็ไม่เนะหมือนเช่นกั <S 1> <S 1> นคะ่ะอันนี้ควาเปิดขึ้นมาแล้วปิดนะมันก็มีบางทีก็มีเรื่องที่ทาให้ขุ่นบัวก็อความหรือเท็กซ์ที่ส่งมาทางไลน์ทาง Facebook หรือว่าทางข้อความภาษาต่างๆเนี่ยมันทำให้เราขุ่นหมทั้งแต่เช้าเลยนะแทนที่เราจะ ตื่นขึ้นมาด้วยจิตใจที mm ่สดชื hmm. ่นได้นั่งสมาธิได้สวยหมดทำให้ใจสงบเป็นการเริ่ม <ül> ต so ้นวันใหม่ที่เป็นมงคลเนยเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่ในเริ่มต้นวันใหม่ด้วยอารมณ์อกุสลเพราะว่าการติดนะโซเชียลมือถือตื่นเช้าขึ้นมาเนี่ยล้างหน้าลุกอันเสร็จเปิดเลยไปในสุดายคือบางทีไม่ทันไม่ทันล้างหน้าด้วยซ้ำนะเปิด เพื่อเช็คข้อมู ล, ลต่ตอมายถืว่าตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องมีมีสเตจในการใช้รวมทังมีวินัยด้วยมีวินัยว่าเราจะใชเ้เราจะใช้สมาร์ทโฟนหรือว่าเราจะออนไลน์เนี่ยวันนึงประมาณเท่าไหร่นะหลายคนเนี่ยออนไลน์ทั้งวันนะฮะเวลาทำงานเนี่ย ก็ผมไม่ได้จะไปเหยียบดูว่ามีข้อมูลเข้ามาไหมแล้วก็พบ ว, ว่าเพียงแค่มีเฟรนด์อินเฟสเนี่ยนะที่ทำให้เราต้องไปไปตอบไปทำไรกับเฟ e นด์อิน e s t เนี่ยใน Facebook เนี่ยเพราพร ว, ว่าโดยเฉลีย่ยเนี่ยคนจะใช้เวลาถึง25นาทีกว่าจะกลับมามีสมาธิกับเสิ่งที่ทำ แล้วคิดดูนะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันมีมันมีเว็บเเข้าขมาเนี่ยแต่ก่อนทุกหนาทีนะอันนี้ในอเมริกานะเดี๋ยวนี้ทุกสานาทีแล้วแล้วเวลาเราทำงานเราจะมีสมาธิได้ยงไงถ้าเกิว่าเราออนไลน์ตลอดเวลาใช่แต่คุณเดี๋ยวนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะจะจ ะ, จะหยุดจะ disconnect นะไม่ออนไลน์ได้อันนี้มันก็แสดงว่าเราเนี่ยกำลังเป็นเป็นทาสของเทคโนโลยีหลัานี้แนละ้ว เดี๋ยวนี้เวลาไปไหนเนี่ยคนจะไปถามมาไปที่นั่นที่นี่มีอะไรก็เลยถามว่ามีสัญญาณไหมถ้ามีสัญญาณไปถ้าไม่มีสัญญาณไม่จะดีแค่ไหนก็ไปไปไปก็รับตำนานถามว่ามีสัญญาณไหมนะถ้ามีสัญญาณเนี่ย ไ, ไปเนี่ยแปว่าอะไรเขาเป็นข้าเทคโนโลยียืนนะเพราะฉะนั้นเวลาที่ว่าอันนี้เป็นลรื่องที่น่าเปหวงและสิ่งที่น่าเป็นห่วงคือว่าตอนนี้เนี่ยพวก บริษัทใหญ่ๆที่เขาดูแลเลือกแอปก็ดีพวกท i ่ดิจิทัลเท o โนโลเนี่ยเาพยายามคิดหาหนทางว่าทาไงเนี่ยถึงจะให้เราเนี่ยใช้แอปเขาหรืออยู่กับเขานานๆนะตอนนี้เนี่ยมันเป็นมันเป็นนโยบายเลยของ Facebook เป็นนโยบายของ l ล n e เป็นนโยบายของแอปต่างๆเนี่ยว่าทำไงเนี่ยถึงจะดึงดูดให้เราเนี่ยอยู่กับแอปของเขาอยู่กับโปรแกรมของเขาให้นานที่สุด ใช่ั้ยเพราะนั้นเนี่ยเวลาเวลาเวลาเราเจอเฟรนด์อ e ิน s s ชใน Facebook เนี่ยแทนที่ตอนที่เราจะไปไปทำอะไรกับ e เฟรนด์อินพ s ชชมันก็จะมีอะไรมามรล่อใจเรามี e ีม e ีโฆษณาเราบอกว่าเราแค่ ก, กดไปตอบไ ป, ไ ป, ไ, ปไปตอบสนองกับเฟรนด์อิน s s ชแค่5วินาทีนั่นแหละแต่ากอาพข้อจริงึงชงั่วโมงใช่ไหมครับใช่ใช<ม>่เพราะนั<ม>้นเนี<ม>่ย<ม> เวลาใช้เครื่องรู้นี้ต้องมีสติมากนะคถ้าเราไม่มีสติเนี่ยเราก็จะเราก็จะเวลาหมดไปกับสิ่งเหล่านี้และสิ่งที่เราควรทำแม้แต่ข้างหน้าที่การงานแม้กระทั่งเวลาที่จะให้กับลูกเวลาที่จะให้กับพ่อแม่ให้กับคนนักก็จะหายไปซึ่งอันี้เนี่ยมันก็สะท้อนให้เห็นนะว่าตอนนี้มันค น, นยังสมัยนี้มีสติน้อยลงไปเรื่อยๆนะ มีสติน้ยลงไม่ใช่ว่าเวลาเวลาแค่เส็จดสื่อนั้นนะและทั้งเวลากินอาหารเนี่ยก็มีสติน้อยทุกครั้งนำมีการทดลองนะให้อาสาสมัครเนีนม่มากนซุกสุปมันเกิดเทพ น, นะตักเอานะตักเอาโดยที่อาสาสมัครไม่รู้ว่าจานซุปเนี่ยนะข้างล่างเนี่ยมันมีการมันมีท่อที่เติมซุปมาได้เรื่อยๆเ ต, ติมเติมมาได้เรื่อยๆ คนส่วนใหญ่เนี่ยกินกินซุปโดยที่ไม่สังเกตเลย ว, ว่าเอ๊ะทำไมมันไม่พล่องสักทีมันไม่หมดสักทีไม่มีใครสังเกตแล้กินไปเรื่อยกินไปเรื่อยเพราะใจลอยเนี่ยเราก็พบ ว, ว่าเนี่ยกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็กินไปแล้วในประมาณ 70% เซเพิ่มจากของเดิมหมายถึงว่าแทนที่จะกินแทนที่จ ะ, ะกินให้หมดชามก็ปรกฏว่ากินไปเกือบ2ชามถึงจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมมันมันไม่หมดสักที เฉลี่ยนะบางคนอาจจะกินไปแล้วสามชามถึงสังเกตว่าไอ้บางเกิดอะไรขึ้นแสดงว่าคนตัวใหม่ไม่ค่อยดีสติตัวได้บ้างครับเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนั้นแล้วนี่ก็คือความเปลี่ยนแปลงในร50ปีนะที่ควรจะพูดถึงด้วยนะคือ่าคนยังมีสติน้อยลงคงดึงในสาเหตุที่ทําให้เรามีสติน้อยลงไปเพราะว่าเราเสพเรเสพโซเชียลมีเดียเยอะที่มันดึงสติเราตลอดเวลามันเป็นสาเหตุที่ทำให้เราตายไดใช่เนี่เพราะว่ามัน คือต้องต้องยอมรับว่าหนึงเนี่ยโซเชียลมีเดียเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เป็นโอกาสให้เราเสพข้อมูลที่น่าสนใจเรื่องรามาสกนันโซเชียลมีเดียอย่างเฟซบุ o กเนี่ยมันเป็นโอกาสให้เราเนี่ยได้ประกาศต่างตัวตนได้แสดงอีโก้ได้ประกาศตัวตน ว, ว, ว, ว่าเอ้ยวันนี้ฉันกินอะไรฉันไปเที่ยวที่ไหนอ ย, นอยากจะประกาศให้โลกรู้บางทีก็ไปทาบุญก็ถ่ายรูปมาเพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าฉันไปทําบุญที่ไหนเรื่องเร่องเนี่ยมันไปตอบสนอง อัตรานะที่ต้องการอยากจะให้คนเขารู้ว่าเราทําอะไรเราจมาเลือกประกาศตัวตนให้โลกรู้ <Okay. S 1> และเนี่ยคือสิ่งที่มันทําให้คนเนี่ยติด a c e b o o k ติดโซเชียลมีเดียเพราะว่ามันตอบสนองความต้องการส่วนลึกของจิตใจ mm hmm. ที่ต้องการที่จะประกาศตัวตนซึ่งในทางพุทธศาสนาสนานิวรมาณนะมานะคือเป็นกิเลสชนิดหนึ่งไม่ได้แลปลว่าความฝุ่ยานนะมานะเนี่ย mm hmm. บางคนตั้งชื่อว่ามานน คิว่าลูกชื่อวันนี้เป็นมงคลสรับลูกนะคือพยันแต่ที่จริงมาหน้าเนี่ยมันแต่ว่าความสาคัญตนความหลงตัวลืมตนงูาง่ายความมงคลหลงตัวลืมตนว่าฉันเหนือกว่าฉันเก่งกว่าฉันดีกว่าฉันสวยกว่าฉันหล่อกว่าฉันทาบุญมากกว่าไอ้พวกนี้มาหน้าทั้งนั้นไงคือเมนวลาโพสเหนบได้ชวชีวิตดีความใจใช่ชโชวไไปที่นี่อะไรเงี้ยคนอื่นยังไม่ได้มาหรือว่าบางคนแบบ ใหมีเส้นค้าไปเที่ยวที่สวยๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับโชว์ความมีชีวิตดีอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นการปวดตาย่มงเขาทำไปนานๆที่ปวดเสียกับตัวเองมากน้อยแค่ไหนครับกิดเราตอนบางท่านจะบอกว่าการถ่ายรูปอาหารก็เป็นแค่สีสันบนเฟซบุ๊กก็ไม่น่าจะมีอะไรเสียหายที่จริงมีผลเสียกับตัวเองนะครับอามันก็พอมันตอบสนองอัตราตัวตนเนี่ยมันก็ติดได้ง่ายนะ ไปที่ไหนเนี่ยก็อยากจะโชว์อยากจะโชว์สิ่งดีๆของเราเพื่อให้โลกได้รู้มันก็เป็นวิธีที่ทําให้ติดและเดี๋ยวนี้มันมีไลน์ไอไลน์เนี่ยเป็นวิธีการที่ทําให้คนเนี่ยติด Facebook องอกแงมใช่ไหมและเดี๋ยวนี้เนี่ยถ้าเพื่อนไม่กดไลน์เนี่ยทุกแล้วนะมีรูปเนาะมีรูปของเพื่อนเนี่ยนะอัพโหลดภาพแล้วเพื่อนไม่กดไลน์แกก็จะลไลน์ไปบอกเพื่อนเลยเอ้ะช่วยกดไลน์ให้หน่อย เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ไล่เนี่ยก็เป็นทุกข์แล้วนะแต่ก่อนเนี่ยถูกด่าคือเป็นทุกข์ใช่ไหมคร<ช>ับเดี๋ยวนี้แค่ไม่ชมเนี่ยก็เป็นทุกข์แล้วใช่ไห<ช><ช>มทาให้รู้สึกกิดตัวเอ ง, อง ไ, องไม่สำคัญไปยังไงศาสนาเนี่ยตอนนี้พอมันไปตอบสนองอัตตาเนี่ยมาอัตตาเนี่ยมันเป็นมันเป็นกิเลสส่วนลึกนะซึ่งซึ่งรับได้านนยากมาน้าเนี่ยจะพาะพระ อ, อาลัยห่างที่รัได้นะครับ พระ อ, อนาคาพระ อ, อนาคามีก็ยังละไม่ได้ไม่้องพูดถพระโสดาบันพระ อ, อรหันต์ท่านจะละมานะได้เพราะว่ามันเป็นตัวที่ละเอียดที่สุดในกิเลสที่เอยดที่สดแต่ทีนี้เนี่ยเ ร, เราเราเี่ยงมานณะเราอเราหล่อล้อมมาะคำว่าเซลฟี่ก็บอกอยู่แล้วนะเซลฟีแ่แลว่ะเซลก็คือตัวตนเซลฟี่ก็คือตัวกูอ่ะใช่อาจารย์วุฒาชว่าตัวกูของกูเพราะนั้นเนี่ยสเสน่ห์นะของโซเชียลมีเดียคือมันไป มันเปน็นพนออัตตาของเราและทําให้เราเนี่ยติดมันองอมแงมใช่มตอนนี้พอไม่พอไม่มีเนี่ยเราก็รู้สึกกระสับกระส่ายนะเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราเนี่ยนะมันต้องการการตอบสนองอัตตามากการปัญหาคนสมัยนี้เนี่ยในยคุคที่เรามีทุกสิ่งทุกอย่างมากมายเรามีสิ่งอำนวยความสะดวกนะสิ่งที่คนจะโหยหาก็คือการตอบสนองความต้องการ ด้านตัวตนเวลาก็โฆษณาเวลาก็โฆษณารองเท้าไนกี้เนี่ยก็จะไม่ได้โฆษณาว่ารองเท้านิ่งนสวยแต่เขาจะบอกว่าเขาจะโฆษณาความเป็นนักกีฬาความเป็นนักกีฬาคนต้องการเสร ความเป็นนักกีฬาเพื่อสนองอัตตาเพื่อเราจะได้มีตัวตนใหม่คนสมัยนี้ต้องการตัวตนใหม่ในนี้เวลาที่คุณดูนะเวลาเขโฆษณาสิดท้ายนี่ก็จะไม่โฆษณาว่าอาหารอร่อยกาแฟกาแฟอร่อยสตาร์บัคเขาไม่โฆษณากาแฟอร่อยนะเขาโฆษณาอะไรนะความเท่ความทันสมัยและเนี่ยคือสิ่งที่คนต้องการเนี่ยตัวตนตัวตนใหม่ซึ่ง สมัยนี้สมัยก่อนที่ตัวต้นใหม่เนี่ยจะเกิดขึ้นได้นี่เขาต้องไปปฏิบัติธรรมต้องออกบวชต้องลดละเลิกพระเนี่ยนะถ้าต้องไารมีตัวต้นใหม่ก็ต้องเรียบทพระเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนจีวรเปลี่ยนเพศเรียกว่ามีตัวต้นใหม่นะแต่ว่าสมัยนี้น่ยไม่ต้องลําบากขนาดนั้นหรอกนะแค่ไปใส่ร อ, องเท้าไนกี้กินสตาร์บั๊ก หรือว่าทีมอาติมาสเนี่ยเราก็มีตัวตนใหม่หรือว่าเด็กนี้ก็ใช้ i ไอโฟนเราก็มีตัวตนใหม่มันง่ายไหมในในสังคมที่ดูเหมือนว่าอัตราจะแต่ละแต่ละคนก็จะมีอัตราผลกระทบกระทาบกันได้นะครับสิ่งที่ทำ้เหมือนมีปัญหาวุ่นวายเกิดขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอาจารย์มีคาแนะนํานนอย่างไรบ้างในการน้องนําหลักนำมาใช้ในยุคที่ที่อัตราตองเลยคือต้องเห็นโทษก่อนล้วว่าการมีอัตรา มากๆหรือ ว, ว่าการพนนอัตตาเนี่ยมันให้เกิดทุกข์คนสมัยนี้เนี่ยเขาไม่เห็นโทษของมันนะฝรั่งก็ไม่เข้าใจว่าทําไมเนี่ยเราต้องเราลดต้องลดละอัตตาเนี่ยฝรั่งนี่เขาพยายามกระตุ้นอัตตาขึ้นมาใช่ไหมเพราะเขาไม่เห็นว่ามันเป็นโทษก็เห็นว่าถ้ามีอัตตามากๆก็จะเกิดแรงผลักเกิดร้ายที่จะสร้างสรรค์ศิล ป, ปินต้องมีอัตตาเยอะมันจะสร้างผล ง, งานอย่างปีกคาโซหรือว่า ดาราชั้นเรือศิลปินชั้นนำใช่ไหมแต่ว่ามันก็เป็นโทษในเวลาเดียวกันใช่ไหมเคนพิมเบย์ทำไมต้องฆ่าตัวตายเคนพิมเย์เป็นคนที่มีอัตตายเยอะนะเขาเนี่ยเขาเชื่อว่าเนี่ยเขาเป็นนักเขียนที่เก่งที่สุดในโลกใช่ไหมเขาจะ้ไปลงโนดตเบวแล้ววันนี้งเขาเขียนไม่ได้เขาเขียนไม่ได้เนี่ยนะเขาก็มีปัญหา เขาเขียน okay, ไม่ได้เขาสื่ว่าชีล่มเหลวแลวถ้าเขียนไม่ได้คือตายดีกว่านะไม่มีค่าละทำไมการเขียนไม่ได้เนี่ยมันมันมันเป็นเรื่องที่เลวร้ายนักหรือเปล่เลวร้ายนักหรือนะเราก็เราที่การเราก็ยังสามารถจะมีความสุขได้แต่ที่นิเว่ยนี่ก็ถือว่าเมื่อเขาเขียนหนังสือไม่ได้เนี่ยช่วยตเขาหมดนะอัตตาเนี่ยมันมาย้อนทําร้ายเขาแล้วคนที่ฆ่าตัวตายก็อ้างว่าเป็เรื่องอัตตา อัตราเ น, นี่ยมันย้อนกลับมาทำร้ายตัวเราเองทำงานล้มเหลวอกหักฆ่าตัวตายเนี่ยเรื่องอัตรารุวนๆเลยใช่ไหมอัตราไม่รับการตอบสนองบางคนรู้ส่ตัวเป็นโนบอดี้เป็นโนบอดี้ก็ฆ่ตายดีกว่ devant, วาชัดแมนซึ่งเป็นคนที่ฆ่าจอร์นนอตชัดแมนเนี่ยนะ เขาฆ่าจอเลนนอนที่เขาฆ่าก็เพราะว่าความรู้สึกเขาเป็นโนบอดี้เขาไม่ประสบความสําเร็จเรียนก็ไม่ดีงานการก็ล้มเหลวมีเมียก็หย่าความรู้สึกว่าเขาอยู่ไปก็ไลฟ์บอยข่าตัวตายขนาดฆ่าตัวตายไม่สำเร็จเลยอหญกเป็นโนบอก็เลยไปดินจอห์นเลนนอน โลกจะได้รู้จักรชั้นเนี่ย<ห> น, นคะนครับก็ต้องกา ร, าปรเป็นทรัพย์ี่คือเป็นทรัพย์ี่ในทางดีไม่ได้ก็เป็นทรัพย์ที่ทางเลวอันนี้คืออัตราที่มันย้อนกลับมาทําร้ายตัวเราและทลาําร้ายคนอื่นอัตมาว่าต้องเห็นตรงนี้ห่อว่าอัตราเนี่ยมันมีคุณและโทษนะถ้าเราเลี้งล่าไม่ได้ก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์นแต่ก็ต้องรู้ก่อนว่าเนี่ยถ้าเราไม่คุมมันเนี่ยไม่รู้จักใช้มันเนี่ย มันก็สามารถจะใช้เราให้ทำชั่วให้เบียดเบียนตนและเบียดเบียนพู้อื่นได้ตอนนี้ถามว่าจะละอัตตา ย, ยัางไงนะง่ายที่สุดเลยนะเริ่มจากการให้ทานสละกเพราะว่าการสละการให้ทานเนี่ยไม่ต้องให้กับพระก็ได้นะให้คุยากคนจนให้ด้วยความปรารถนาอยากะช่วยเขาเนี่ยมันช่วยลดละความยึดมั่นถือมั่นในของกูอัตตาเนี่ยมันจะมีความยึดมั่นในของกูมาก มันอยากจะมีมากๆแต่ถ้าเราต้องการที่จะลดราตาก็ต้องให้เยอะๆมันจะเป็นการถวนกระแสะอัตราการรักษาศีเนี่ยก็เป็นการลดรละอัตราเพราะว่ามันช่วยไม่ให้เราเนี่ยคืออัตตามันก็อยากจะอยากได้มากก็ต้องไปขโมยนะหรือว่าถ้าใครมาด่าเราโกรกก็ต้องทําร้ายเขาการมีศีเนี่ยมันช่วยทาให้เราคุมอัตราไม่ให้ออกไป ในลักษณะทำร้ายพวกอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนไม่เข้าใจการให้ทานเนี่ยตับการในการเพิ่มพูนหนตางใช่ไหมจะได้ไปอวดคนว่าฉันเป็นคนใจบุญนะท่อกรินท่อปะปาก็ถ่ายรูปขึ้น Facebook แข่งกันว่าใครจะเป็นเจ้าภาพท่อกรถินได้มากกว่าถ้าท่อกรินหากันถางยังไม่ได้น้อยกว่ า, วาสุดอายไา่หน้าซึ่งมันไม่เกี่ยวกันเลย ใชไหมหรือว่าบางทีรักษาสีก็เคร่งก็ไปดูถูกคนอื่นว่าไม่ไม่มีสีเคร่งเหมือนฉันฉันสีแปดนะเธอสีท่าเธออย่ามาเถียงฉันนะแบบนี้ก็มีนะคือบางทีเนี่ยการให้ทานก็ดีการการรักษาสีเนี่ยมานเป็นการเพิ่มอัตตากแต่ท่านาม่ระวังเพราะว่ากิเลสมันฉลาดกิเลสเนี่ยมันพยายามช่วย ใ, ใช้ทุกอย่างเนี่ยเพื่อเพิ่มเพิ่พมคูณอํานาจของมัน แทนที่เราจะให้ทานเพื่อลดกิเลยกับเพิ่มกิเลยเช่นถวายสิทธิ์อยากได้ร้อยถวายร้อยอยากได้ ล, าล้ า, ลานอันนี้ก็เป็นการเพิ่มอัตตาและบางทีพระก็ไปไปสนองอัตตาเวลายมทาบุญก็บรวยรวยๆวยใช่ไหก็ไปสนองกิเลสใช่ไมก ล, กลายเป็นกลายเป็นการหลงในบุญแทนนะครับคุณโดีใช่ค่ ะ, ะแต่ม่ใช่ผู้พ่พอบอกว่าอัตตาก็ช้ใเป็นประโยชน์ได้ อันนี้สงสัยมากเลยคะอาาเราสามารถใช้มันให้ประโยชน์ได้ย่งไรคะเอ่อเช่นเวลาเราไปปฏิบัติธรรมเราง่วงเราขี้เกียจเราท้อแต่เด็กๆโอ้โหก็ขยันดีเลยเขาปฏิบัติทั้งวันเลยด้วยบางทีเคนแก่โอ้โหเขาเดินตรงๆทั้งวันเลยเราถึ้เรา เราเป็นแมนเป็นผู้ชายก็ เ, เป็นผู้ใหญ่เรจะแพ้ก็ได้ยังไงเราก็แข็งแงด้วยถ้าแพ้ก็ได้ยังไงอันนี้พิอัตตาเนี่ยคือทําเนี่ยเพราะว่าแพ้ไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็เรียกอับตาหรือว่าจะทําชั่วจะไปขโมยก็กลัวว่าคนมันจับได้แต่เสียชื่อเสียงไอ้กลัวเสียชื่อเสียงเนี่ยกลัวเสียหน้านอีกนอับตายใ่ไหม มันก็เป็นการวกควบคุมเราให้คนเนี่ยไม่ทำช่วยนะกลัวเสียชื่อเสียงกลัวเสียหน้าอับอายขายหน้านนอ น, นี้ตาแต่มีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ใช่ไหมพี่เลนเนี่ยมันก็มีประโยชน์แต่ถ้าใช้สมัยพุทธกาลในอนาธิปิ ก, กาะเนี่ยเป็นโสดาบันนะแต่สอนลูกไม่ได้มีหลายคนนะในสมัยพุทธกาลเนี่ยเป็นอ ร, ริยกรแต่สอนลูกไม่ได้นะ ก็เลยให้เราก็เลยอล่อลูกชายว่าถ้าไปฟังธรรมะแต่ผู้เจ้าเนี่ยจะให้เงินลูกก็ไปไปเพราะอะไรอยากได้เงินอันนี้ไปแล้วก็ไม่ตั้งใจฟังนะพ่อกลับมะพ่อถามว่าได้ได้ธรรมะอะไรบ้างตอบไม่ได้พ่อก็เลยบอกว่าต้องไปจํามาให้ได้ว่าผู้เจ้าสอนอะไรต้องไมาบอกพ่อถึงจะได้เงินให้เงินเพิ่มด้วยนะ ไปเลยไปก็อยากได้เงินใช่ไหมก็เลยพยายามตั้งใจฟังอันนี้พุทธเจ้านี่ก็บรรดาให้แย่จำอะไรนจําไม่ได้พยายามจำทีไรก็จําไม่ได้คือก็เลยตัองตั้งใจฟังมากขึ้นฟังไปฟังมาบรรลุธรรมก็สวยงามเลยสบายจริงๆก็มีมหลายคนนะคะที่มาปฏิบัติเพราะว่าเกดดังมาเป็นเพื่อนผมก็มีแต <c oughs> ่ก็เพราะเว่า ีเนทป็นคนี่จะเป็นการดอัตตาใ้ใทางีเอกิเลสมาใช้ด้วยกิเลกก็เป็นก็เป็นก็เป็นอาการแสดงออกของอัตาอย่างห่งคืออยากได้มากๆเพื่อมาเพิ่มเพื่ออัตตาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักใช้คุณพุทธศาสนาเนี่ยนะท่านจะท่านจะสอนให้เรารู้จักใช้ประโยชน์จากทุกอย่างแม้ท่นกิเลกก็ต้องเอามาใช้เอาาเอามาใช้ให้ให้ได้ครูบาอาจารย์ที่ฉลาดเนี่ยท่านก็จะท่านก็จะ ท่านก็จะใช้พวกเนี่ยเป็นอุบายสมัยหลวงพ่อพุธเนี่ยนะถ้าเล่าว่ามีพระใหม่เนี่ยมาบวชท่านก็สอนให้ทําสมาธิพระใหม่เนี่ยบอกว่านั่งสมาธิไม่ได้เลยขึ้นแต่แฟนรู้ไหมการที่หลวงพพุธจะว่าหลวงพุทธถามว่าแฟนชื่ออะไรตมองช่วยตอบ เวลาภาวนาะหายใจเข้าก็สมหายใจออกก็เสียงเอ๊ะบอกว่าสมาธิดีนะ เ, เนี่ยคือคือไม่ไดดุเซงเนี่ยนี้ถึงใจก็ไม่เป็ น, น, น, น, ไ, น, ปนไรแต่ว่าเอามาใช้ให้ประโยชน์เป็นประโยชน์ในการทำสมาธิก็ได้มาไม่ใช่ว่าอุ้ยไม่เอานี่ไม่ได้ค่ะพระอาจารย์ะขอย้อนกลับมาที่เรื่องของโซเชียลมีเดียนิดนึงไม่่ใพูดที่ที่พระอานบอกว่า คือโดยสรุปแล้วเนี่ยการเล่นโซเชียลมีเดียมันก็กล่องทีเกิดโทษส่วนใหญ่ถ้าเกิดเราไม่สามารถใช้มันเป็นบ่านเราซึ่งคนส่วนใหญ่ก็ปล่อยให้กลายเป็นนายใช่ก็จะป่อให้กลายเป็นนายทีนี้ก็เกิดคำถามว่าอย่างนี้นจริงๆแล้วเราสมควรจะเลิกเล่นกันเลยไหมตัดตัดใจเลิกเล่นโซเชียลมีเดียไปเลยจะดีไหมยอย่างตัโกวิ่งเองในตัวเรเองะคะ่ะทุกวันนี้เ โบก็มียกขอบห้ค่ะยกก็เลิกเล่นเ้าเรียกอะไรเลิกดูสีเลิกดูสิเ a c e b o o k เลิกดูสีไอีก็เหลือเล่นลายอยู่เดียวเพราะว่าเวลาดูสีเนี่ยยก็จะรู้สึกว่ามันทำให้เราไม่มีความสุขเลยอะเหมือนเหมือนเราเห็นคนนั้นคนนี้เปอย่างนั้นปอย่างนี้ก็จะอยากไปอย่างนั้นอยากไปอย่างนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะนีการเริมเล่นไปเลยมันจะเป็นการแก้ปัญหาไคะค่ะาอามาชื่อว่า ตำหรงคนอาจจะมีประโยชน์แต่บางคนก็ยังเห็นว่ามันมีมันนามาใช้ประโยชน์ได้แต่สมาชี่ว่าการที่เราจะเป็นนายมันเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ได้หมายความว่าเราต้องให้ใช้มันเลยนะเราจะเริ่มต้นสุดเป็นนายมันด้วยการที่ลดนะการใช้ Facebook หรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียคนสมัยก่อนเนี่ย นะปุตตชนเนี่ยก็ยังเลิกตามไม่ได้แต่ว่าท่านก็ให้รักษาสินแปลงที่ระวังใช่มสินแปลงนี่ก็เป็นกัรที่เราจะบำเพ็ญเมตุนวิรัตใช่ไหมแล้วก็รวมทั้งการเล่นการร้องราทําเพลงะนะซึ่งเป็นสีสันของชีวิตสําหรับปุตตชนเนี่ยก็ให้ให้ให้เบนสักวันหนึ่งะนะอาจารย์มาคิดว่าเราก็เอาวิธีนี้มาใช้กับโซเชียลมีเดียก็คือว่า มันควรจะมีช่วงเวลาที่เราจะเว้นการใช้โซเชียลมีเดียวันเนี่ยเราอาจจะตั้งตั้งตั้งตั้งกำหนดว่าเราจะใช้โซเชียลมีเดียวันละเท่าไหร่เช่นไม่เกินชั่วโมงและในหนึ่งอาทิตย์เราจะมีวันที่เราจะมิรักหรือเว้นมันเฉลยหรือไม่ใช้เลยซึ่งแน่นอนนะใหม่ๆก็จะเอาสุดลงแดงนะสัส่งกระซานใช่แต่สุดท้ายเนี่ยก็จะค่อยๆดีขึ้นแล้วสือว่าเอ้ย ไม่มีมันก็ได้แต่ไม่มีวันชื่อเราก็มีความสุขแถมสงบกว่าเดิมด้วยและทำไมอย่างนี้แนะว่ายังไม่ถึงขั้นว่าเริ่มไปเลยนะเอาแค่ว่าในหนวันเนี่ยคุณควรจะมีคุณจะกําหนดเวลาว่าจะใช้มันเนี่ยวันเนี่ยนานเท่าไรหร่หึงชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วก็แน่ว่าไม่ควรจะออนไลน์ตลอดเวลานะจะใช้ค่อยออนไลน์ในนั้นเนี่ยมันเปเสีปิ้ง ป, ป, ปมาต่อเวลาเลย ใชรไหมเฟซบุเนี่ยหรือไลน์ติดติดแจ้งเตือนอาไว้ใช่ไหมคะผิการออนไลน์ค่ะมันคือพราะเราใโทรศัพมือถือมันมันจะมีมันจะมีเรียกว่าออนไลน์ตลอดตลอดใช่ไหมเพราะไม่ใช่ไม่ไม่ไม่ไม่ปิด้งเตืนไม่ออนไลน์เลยใช่ไหมก็คือล็อกเอาท์ออกไปเลยไม่ไม่เช่ไม่ไม่ตองเข้าไปดูเพราะบางทีปิดแจ้งเตือนไปใจเราก็ยังขบงอยู่คือเรื่งโรศัพทมือถือมันมีตัวผูกตัวดันต่างๆมาช่ ก็กดเอาไปทุกอย่างเปลน Wifi อยู่ในคอมเมนชั่นนะได้อินเทอร์เน็ตะได้ใแล้วก็ถึงเวลาค่อยมาเปิดดูว่าออมีข้อมูลอะไรบ้างใช่แล้วก็ตอไปนี่เน่มาชิกสมมติทำเองวันละาครั้งเราจะออนไลน์เนี่ยวันละสครั้งนะหรือว่าด้าในด้าในที่หนึ่งเนี่ยเราจะไม่ไม่ออนไลน์เลยเราจะมีร้า กราเว้นสัหนึ่งวันเป็นตัวอย่างอย่างนี้นะคือถ้าเราทําไม่ได้เนี่ยมแสดงว่าเราเนี่ยสามารถจะเป็นนายได้คือวันไหนไม่ได้เสดวันไหนไม่ได้ใช้เราก็ไม่ร้อนอะไรขั้จุอนหนงเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมัก็ดีนะครับนะและเราจะพบว่าหนึ่งวันไม่พอเราต้องสองวันเลยสามวันเลยก็ได้ใช่ไหมแล้วมันรู้สึกว่ามันสบายขึ้นนะมันเรื่องนไหวน้อยลง แันเราช่วยย่านี้เป็นเป็นเป็นวิธีการอย่างนึ่ที่เราสามารถจะทําได้ครับเพราะจารครับในในสังคมของอินเทอร์เน็ตหรือโซเชียลมีเดียนะครับหรือว่าทุก อ, อย่างเราสามารถหาข้อมูลข่าว ส, สารได้ด้วยปลายมือนะครับผมสังเกตว่าเด็กวุ่นใหม่เนี่ยเริ่มที่จะค่อนข้างคิดอะไรไม่ค่อยรอบฟอกมากขึ้นนะครับแล้วก็รวมถึงสมาธิสั้นลงนะครับรวมถึงการจับเอาเนื้อหาใจความไม่ต้มา กลับขึ้นมาทำสั้นๆแล้วก็คิดว่าเด็กรู้แล้วเขาาซึ่งบางคนเรียกว่าเป็นลุกเสดวนหรืมอมองอะไรแอบๆแล้วก็ที่เด็กเข้าใจแล้วนครับอันนี้พรอาจารย์มีความเห็นเรื่องไรในการศาึกษาธรรมะเนี่ยเราเราแค่อ่านโคดเป็นคํำสั้นๆแล้วเราก็มานั่งนึกว่าเราเข้าใจแล้วรู้สึก ด, ดีแล้วเนี่ยอันนี้มันเกียวพอใ น, นรื่องกรรมการการปฏิบัติธรรมมีสอประเด็นด้านทีค่ควนอันที่หนงเป็นข้อมูลข่าวสารที่ เราเนี่ยไม่เคอยมีเวลาที่จะพิจารณาให้ครัวมีส่วนก็เป็นเรื่องโพสธรรมะอันนี้เอาข้อมูลข่าวสารก่อนเนี่ยนำมาคิดว่าเดีย๋ยวนี้ก็เป็นอย่างทุกคนว่าจริงๆก็คือว่าคนไม่เคอยมีเวลาที่จะที่จ ะ, จะอ่านให้ประเอียดบางทีเนี่ยเราขึ้นต่อโพสไปว่าเนี่ยมีมีกิจกรรมโนยมุทตะจากที่เนี่ยบอกวันที่บอกเวลา บอสถานที่เสร็จหลายคนพออา่านเนี่ยไม่ได้อ่านละเอียดในคอมเมนต์ก็จะถามว่าจัดที่ไหนจัดเมื่อไรแสดงว่าแสดงวไม่ได้อา่านแสดงว่าไม่ได้อ่านเลยอะ่ะนะแต่ยังดีที่สนใจนะคือเนี่ยนี่นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนจำนวนมากคือเวลาอา่านเนี่ยอา่านไม่ละเอียดและไอ้ข้อมูลอย่างเงี้ยมันไม่เสียหายถ้าเกิดจะค่อยๆผิด แต่ถ้าเป็นข้อมูลที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับผู้คนนะแล้วก็การเข้าใจผิดต่อผลกระทบเสียหายต่อคนคน น, นนั้นอันเนี้ยมันจะกลายเป็นปัญหาแล้วปัญหาก็น่เดีมาชื่อว่าสิ่งหนึ่งที่จะต้องมีก็คือว่าการมีสติและการการไม่เร่งรีบซึ่งก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าสมัยนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสาร ม, มันเยอะมากใช่ไหม คนเนี่ยก็จะต้องอ่านแบบ ผ, ผันผานแล้วก็อะไรที่เตตาถูกค่อยสนใจแต่ว่าสนใจก็สนใจแบบไม่ละเอียดนะมีการเข้าใจผิดนะซึ่งก่อให้เกิดปัญหาซึ่งมันจะนำไปสู่การทะเลาะเ บ, บาแวงกันตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังยิ่งไปแชร์ด้วยแล้วเนี่ยนะข้อมูลที่เป็นเท็จเนี่ย หลายคนก็ไ ม, ม่เวลาที่จะตรวจสอบมันถูกใจแล้วก็แชร์ไปแล้วก็ไปสร้างปัญหาให้กับคนอื่นนะรพระอาจารย์คะไหนๆก็มาถึงตรงนี้แล้วการแชร์ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเท็จแล้วมันก่อให้เกิดผลเสียกับคนอื่นเนี่ยเป็นบาปไหคะครอาจารย์คือบาปเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่เจตนาเจตนาคือรั่วรวเท็จแล้วไปเแชร์เอียงปล่อยเนี่ยอันเนี้ยบาป นะแต่ถ้าไม่รู้นะก็คิดว่ามันเป็นความจริงนะก็แชร์ไปอัเ น, นี้ยไม่ใช่ว่าบแต่ว่าปัญหาหรือผลกระทบ ท, ท, ที่เกิดขึ้นตามมาก็กอาจจะเสียหายซึ่งก็จะต้องเป็นเรื่องที่เราควรจะสำรวมระวังว่าก่อนจะแชร์อะไรเนี่ยจะต้องอจะต้องดูให้รอบครอบก่อนนะที น, นี้กลับมาเรื่องนะโคตธรรมะนะ อ, อาจะมาชื่อว่า อ, อย่าสนใจแต่เพียงโคดธรรมะที่มันถูกใจหรือมันสนองกิเลสของเราใช่ไหมบางทีโคดธรรมะหลายอย่างเนี่ยเออมันสนองกิเลสของเรานะเช่นาภาวนาเนี่ยนะไม่ต้องนั่งสมาธิก็ได้ใช่ไหมอยู่บ้านก็ทําได้มันก็จริงกันนะแต่ว่า หลายคนตีความในทางที่มันสนองกิเลสของตัวหรือหนักกว่านั้นก็คือว่าเอาไปใช้เพื่อไปข่มคนอื่นไปวิจารณ์คนอื่นนะอันนี้เรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกนะธรรมะเนี่ยก็มีไว้เพื่อขัดกลาวตัวเองเพื่อลดละนะอัตตาหรือว่ามานธาทิฏฐิแต่ถ้าเกิดเอา เอาธรรมะนะไม่ว่าจากพระไตรปิดกหรือว่าจากเฟ e บุ๊ k ที่โคตรมาสั้นๆเนี่ยเพื่อไปว่าคนอื่นเพื่อแสดงว่าฉันมีภูมิรู้นะอันนี้เนี่ยปกันเพิ่มภูดกินเลยเรียกว่าทำผิดในสิ่งที่ถูกซึ่งต้องระวังมากของดีเนี่ยนะมันต้องใช้ให้เป็น น, นะพจ้าตัดว่าเนี่ยการศึกษาธรรมะเนี่ย เปรียบเหมือนกับการจับงูนะอสสารพิษด้วยนะถ้าจับงูถ้าจับงูมไม่ถูกอสสารพิษนั่นก็จะแหวงกัดพุเจ้าไม่ได้เปลี่ยนว่าเงินเป็นอสสารพิษเท่านั้นนะพุทเจ้าเปลี่ยนการศึกษาธรรมะว่าเหมือนกับจับอสสารพิษด้วยการจับอสสารพิษที่ไม่ถูกก็หมายถึงว่าศึกษาธรรมะเพื่อไปแสดงหาลาภสักกา ร, ระ เพื่อไปยกตนข่มท่านหรือเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยว่าเราไม่ได้นะอย่างนี้เนี่ยเปลี่ยนมาว่าจับมูลและจับผิดมูก็จะกัดเอาเป็นโทษนะแต่ถ้าศกษยท่านทำ ม, มาเพื่อที่จะลดละกิเลสหรือว่าเพิ่มปูนสติและปัญญาซึ่งจะนําไปสู่การกําจัด ก, กิเลสให้หมดไปในในใ น, ในเวลาในนั้นอนาคตเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเป็นการจับมูอย่างถูกต้อง ไม่เป็นทั่วบระตูเลยครับผมก็ผ่านมาพื้นฐานแล้วนะครับท่านที่นั่งฟังอยู่ผมก็คารเราท่านจนจะได้ทำหมาดีๆกับอาการย์ไปบ้างมากพอสมควรนี้ขอเรียนให้ทราบก่อนว่าในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายนะครับเราจะเปิดโอกาสให้ท่านนะครับได้ถามคำถามกับพู้อาจาด้วยนี ถ้าท่านใดมีคำถามหรกับธรามที่สงสัยอยู่นะครับก็เตรียมาไว้ในใจนะครับแต่เราจะมีพิธีกรภาคสนามนะครับซึ่งจะนัดถกโถดไให้นะครับนี้กลับมานิดหนึ่งนะครับในปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีก้าวหก่อยนะครับเราก็จะมีเจเนอเรชัน n X Y Z นะครับนี้คุณโบที่อยู่เจนไหนครับ ตอนนี้อะค่ะ Gen Y ค่ะแต่ดูลักษณะพฤติกรรมแล้วบางอย่างก็ไป Gen Z เหมือนกันนะคะก็สำหรับคำหาเกี่ยวกับหัวใจ Generation เนี่นยค่ะก็คืออยากจะให้พระอาจารย์ช่วยแนะนำคุณพ่อคุณแม่ที่ตอนนี้เนี่ยมีลูกๆอยู่ใน Generation ล่าสุดเลยก็คือ Gen Z ซึ่งลักษณะพฤติกรรมของเด็กๆที่เป็น Gen Z เนี่ยค่ะก็คือ เ, เป็นเด็กที่เกิดในเกิดหลังคืสอส่พเการอก้นะคะแล้วก็เขาจะเป็นเขาเรียกเป็นไอเจเนเรชันนะคะก็คืออินเทอร์เน็ตเจเนเรชันไอสมาร์ทโฟนทั้งหลายเนี่ยถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเขาไปแ ล, แล้วเขาจะติดมากแล้วก็รืก อ, อย่างหน่เขาเป็น Silent Generation ไซเลนเจเนเรชันไ่ได้คือคือเขาจะพูดเป็ น, น้อยเพราะว่าเขาจะชินกับการการแชทมากกว่างแล้วก็ใจของเขาเนี่ย เดีคิดไวทําไวตัดสินใจไวรออะไรไม่ได้นาะนเพราะว่าในโลกอินเทอร์เน็ตที่อยู่ในมือเขาทุกอย่างรวดเร็วหมดเขาอยากได้อะไรก็อยากจะซื้ออะไรก็อยากจะหาข้อมูลอะไรมันมาถึงเขาไวมากมันก็เลยฝึกทำที่ใจของเขาเนี่ยรอไม่ได้เวลาจะทํางานก็เหมือนอยากจะทํางานให้มันประสบความสำเร็จเร็วเลยอยากจะแป๊บแป๊บแปประสบความสำเร็จอะไรอย่างเงี้ยรอไม่ได้ค่ะหรืออย่างลูกที่เล็นะครับตาครอบครัวนเนี่ยก็ ไม่ต้องทำอะไรมากไม่ต้องพาไปไดกิจกรรมข้างนอกก็ได้มีไอแพดเครื่องเดียวแล้วทิ้งใ่้ยๆกดเล่นเกมหรือว่าเข้าจดัดเต็ไปนี้เด็กที่เล่กเนี่ยก็เข้าจะเด็เกเองผมว่ารม่ต้องกดเลยทัใ้ใช่ค่ะใช่ค่ะอย่างนี้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยควรจะมีวิธียังไงในการที่จะรับมือกับการเลี้ยงลูกหลานใน generation สั้นนี้ค่ะใช้ธรรมะข้อไหนดีครับอาจารย์ที่เราจะเชื่อม generation เจนแรกมาเท่าก <Okay. S 1> ับเจนวายหรือเจนเม้ให้เขาฟังเรามากขึ้นให้ให้เขามีสัมมาคารวะมากขึ้นหรือเปล่าบพงทีเขาจะความเขาเชืม่นในความเก็นตัวตัวเองที่เองทาเองได้บีงทีเราจะขาดความสัมพันธ์ในใร้อนเลือางไม่ได้ใจร้อนเข้าอทคนเขาเริ่ังมาคิดว่าอย่างแรกที่ควรทำนั่นคือการพยายามเข้าใจเขาเราจะ เราจะช่วยวเขาไม่ได้เลยถ้าเราไม่เข้าใจเขานะก็ขนาดซึนบุยยังบอกเลยว่านั่งรู้เขารู้เรานี่สงครามนะแต่ว่าการรลี้ดูลูกเนี่ยมันละเอียดกว่ตอนนั้นกว่าการทำสงครามแต่สิ่งที่ต้องมีคือการเข้าใจเขาและเข้าใจตัวเราด้วยพ่อแม่เนี่ยมัคือก็ไม่เข้าใจตัวเองนะและยิง่งไม่เข้าใจลูกเขายางเพราะว่าเราพยายามตัดสินรูปเนี่ยจาก มุมมอของเราจากมาตรฐานของเราลูกเขาเล่นอะไรเนี่ยบางทีเราก็ต้องไปดูว่าเขาเขาเล่นอะไรมันทํางานยังไงเราจรงจะเข้าใจว่าทําไมลูกเนี่ยติดเกมออนไลน์ทําไมลูกติดเกมโปกเกมอนอะไรตัวอย่างแล้วการจะเข้าใจที่ดีสุดเนี่ยนะมันต้องเกิดจากการที่เราสื่อสารกับเขาฟังเขาด้วยพ่อแม่หลายคนเนี่ยมักจะพูดว่ า, ท, าทําไงดีใจให้ลูกฟังเรา คนที่ถามนี่เพราะว่าลูกไม่ค่ยฟังแต่ตะมาพบว่าพ่อแม่ที่มีปัญหาเหล่านี้เนี่ยคือเพราะลูกไม่ฟังเราเนี่ยมันเริ่มต้นจากการที่เราไม่ฟังเขาก่อนตอนเด็กๆ เ, เนี่ยพ่อแม่ไม่ฟังลูกพอถึงเวลาลูกโตเป็นวยัยรุ่นลูกก็ไม่ฟังพ่อแม่แังวิธีที่จะทำให้ลูกเนี่ยฟังพ่อแม่นะตะมาคิดว่าต้องเริ่มต้นจากพ่อแม่เนี่ยฟังลูกให้มากขึ้น และพ่อแม่หลายคนพบ ว, ว่าขอฟังลูกให้มากขึ้นแล้วเนี่ยลูกจะฟังตัวเองพ่อแม่หลายคนที่พยายามจ้ำที่จ้ำใจกับลูกเนี่ยนะเพรความยึดมั่นถือมั่นเต็ม ด, ดีว่าลูกจะต้องดีแบบที่ฉันคิดอาตมาเคยแนะนําว่าเราอย่าไปไอการทำํำร้ายลูกในนามความปรารถนาดีก็มีเยอะนะบางทีเร า, เร า, เ, ราเราดูแลลูกด้วยความเราเลี้ยงลูกด้วยความยึดมั่นถือมั่นในตัวลูก แต่จริงนะเรายึดมา่ถึงมันในตัวเองมากกว่าก็คือว่าจะต้องดีอย่างที่เราคิดจะต้องเรียนคณะที่เราเห็นว่าดีจะต้องมีวิชาที่เราเห็นว่ามันถูกต้องหรือว่ามีอาชีพที่มันจะตอบสนองความฝันฝันของเราซึ่งเราทําไม่ได้เราจบเราเรียนหมอไม่ได้ก็อยากให้ลูกเรียนหมอแทนเราอันนี้ก็เรียกว่าเราเนี่ยพยายามให้ลูกเนี่ยนะเราเลื่องด้วยความยึนมาถึงมันในตัวเรา ในความคิดของเราแล้วเราก็เลยไปจ้ำที่จ้ำชัยเขาแต่แค่ก็ตามที่เราลองวางนะลองวางระยะดูเมื่อวันซื้อเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยแม่แม่คนมึงแกก็มาเล่อยฟังหลังกากที่เอามาเกี่ยแกไปไปเปเดือนแกบอกว่าแต่วันแกจ้ำที่จ้ำชัยลุกมากเลย้ยลุ้สึกห้าแล้วลูก ก, ก็ดื้อตอบโต้ดื้อการดื้อกลับมาเอามาก็แนะว่าให้ลองฟังก็ดูบ้างแล้วอย่าเอาความของเราเป็นเกม เราพบว่าพอเธอเรื่มเริ่มหางจากลูกเริ่มเริ่มางระยะห่างจากลูกเนี่ยลูกกลับเข้าหาแม่แต่ก่อนเนี่ยแม่จะเขาพยายามไปจำเยื่ยมใชลูกเนี่ยลูกกลับไปหนีแต่พอแม่เนี่ยเริ่มเริ่มางระยะหา่างมาดูลูกด้วยด้วยใจที่เป็นอยู่เด็กขามากลูกกลับเดินเข้าหาแม่นะฟังแม่มากขึ้นแม่ทนายชืย่อาอย่างแรกที่ต้องมีนะคือว่าแบบเข้าใจเขาแล้วประการที่สองคือว่า พยายามที่จะให้เขาโตในแบบของเขาเพราะว่ารุ่นเราเนี่ยกับรุ่นเขาเนี่มันเป็นคนรุ่สมัยแลวาาก็ไม่สามารถจะเป็นเด็กที่ไม่สามารถจะเป็นเด็กที่ขยันหรือว่าอดทนได้มากเหมือนเราหรือว่าแม้กระทั่งเห็นคุณค่าของความสมัทธความเรียบ ง, ง่าย ว่าเด็กสมยัยนี้เกิดเตบโ ต, ตขึ้นมาท่ามกลางความฟุ้งเฟ้อบ้างหูีแตงน้อยเนี่ยสิ่งที่เราจมาคิดว่าช่วยเด็กได้คือช่วยทำให้เด็กเนี่ยมีความอดทนมากขึ้นนะอันนี้สําคัญมากเลยไม่ว่าจะยุคใดสมัยใดในความอดทนรู้จักคอยเนี่ยสำคัญและสิ่งที่คือสิ่งที่พ่อแม่มไม่เคยสนใจพ่อแม่มา ก, ากจะให้ลูกเนี่ยเรียนเก่งทนานําคะแนนได้ดีแต่ว่าความรู้จักคอยเนี่ย มันเป็นสมบัติที่มีคุณค่ามากมันเคยมีการมีการทดลองนะซึ่งมีชื่อมากกว่ามาเลย์แซนฟอร์ดโดยใช้มัชแมนโล w การทดลองนี้มีชื่อเสียงโดยทา่านเ้าเรียกว่าแซนฟอร์ดมัชแมนโล่เอ็กโซเรียนนะทำมาสักหกปีห0าปีมานะเคื่อาขนมดัชมนโลเนี่ยนะซึ่งเป็นขมนมที่เด็กชอบเนี่ยมาวางไว้ในห้องใส่ไว้ในถาด แล้วก็ให้เด็ก4 5ขวบเนี่ยเข้ามาในห้องผู้ใหญ่ก็จะบอกว่าเนี่ยถ้าอยากได้นะหยิบไปเลยห น, หนึ่งชิ้นแต่ถ้าอยากได้สองต้องรอสินาทีนะแล้วเด็กก็ออกไปให้ผู้ใหญ่ก็ออกไปเด็กไม่รู้เลยนะว่ามันมีกล้องเนี่ยดูพฤติกรรมของเด็กอยู่ผู้ใหญสั้นๆเด็กหนึ่งในสามเนี่ยจะคอยได้ สในสเนี่ยจะคอไม่ได้ถามว่าเด็กรู้ไหมว่า2อดีกว่าหนึ่งเด็กทุกคนรู้แต่เด็ก2ในสามเนี่ยอดทนรอคอยไม่ได้แล้วเ ก, ก็ตามเด็กเหล่านี้ไปจนโตจนเข้าไฮสคูลจนกระทั่งจบหมายเทลายจนกระทั่งเรียนหมัดจนกระทั่งทำงานเพราก็ว่าเด็กที่อดทนรอคอยได้เนี่ยเมื่อเรียนไฮสคูลเนี่ยก็การเรียนก็ดีนะ ไม่ติดอาหารจังฟูด้ดนะพอเข้ามาเลี่ยก็ไม่ติดเล่าไม่ติดดุรีสุขภาพดีไม่ไม่ไมลาออกกลางคันต่างกับเด็กที่มันคอยไม่ได้เนี่ยสุขภาพก็แย่ติดเล่าติดดุรีตอลอดติดยาก็มีนะแล้วก็การเล่น ก, ก็ไม่ดี drop out ก็เยอะจบแล้วเนี่ยก็หางานทําก็ไม่ดีเท่ากับเด็กที่เขารู้จักบนเร็คอยได้ เขพยายามถาว่าอะไรคือความเปลีป่ยนอะไรอะไรคือปัจจัยที่ทําให้เด็กสองกลุ่มไม่เหมือนกันแล้วก็ตัดตัวแปรตัวอื่นหมดละไม่ว่าจะเป็นเพศวัยนสถานะทางเศรษฐกิจแล้วพบว่าตัวแปรตัวสําคัญก็คือความรู้จับอดทนรอคอยได้กับกับการอดทนรอคอยไม่ได้เป็นตัวแปรที่สําคัญแสดงว่าเป็นสิ่งที่เราคนจะต้องสอนลูกหลานตรงนี้ความในทีไ่ไหนและและการอดทนที่จะอดทนซึ่ง สำหรับพ่อแม่ในปัจจุบันก็เป็นเรื่องยากเพราะว่าประการแรก พ, แพ่อแม่ไม่อดทนพ่อพ่อแม่ก็โดนโซเชียลมีเดียนะเล่นงานหรือว่าใช้ที่ที่เร่งรีพ่อแม่ไม่มีเวลาแม้กระทั่งให้เวลากับลูกไม่มีเวลากระั่งฟังลูกแต่ว่าถ้าพ่อแม่เริ่มที่จะอดทนรอคอยได้โอกาสที่จะสอนให้ลูกเนี่ยมีความอดทนรอคอยนะก็จะเป็นไปได้นะอีประการนึคือการ รู้จักคิดถึงผู้อื่นการบาล์เชื่อที่สําคัญมากเลยเด็กถ้าหากว่าไม่รู้จักคิดถึงคนอื่นที่พิจกับตัวเองเนี่ยนะมันจะมีความสุดได้ยากจะมีความทุกข์ได้ง่ายคนที่พิจิตรตัวเองเนี่ยจะมีความทุกข์ได้ง่ายมากแม้กระทั่งเป็นสื่อคือให้คนแตกต่างเขทุกข์แล ไ, ไม่กดไลค์ก็ทุกข์ล้ แต่ถ้าเกิดว่าคนที่ขึ้นผู้อื่นเนี่ยได้เห็นคนยากคนจนคนลาบากนี่นะเาเมื่อใดก็ตามที่เาบก็จะรู้สึกว่าความพูดเขาเล็กน้อยเม่เชื่อผมการมีวิธีสุดท้ายก็คือไม่ใช่แค่เด็กอย่งเดยวครับที่ที่จะเป็นแต่ว่าผู้ใหญ่หลายคนตัวองตัวผมย้่งไม่ใช่จะไม่ใช่แค่เด็กซะด้วยเซนไวหรือเซนี้ก็เป็นเหมือนกันคือผมก็รู้สึกว่ายิ่งถ้าเป็นสังคมเมืองเนี่ยเราก็ยิ่งจะค่อนข้างจะเห็น ปากท้องนะครับหรือว่าเรื่องของการทำมาหากินทำให้เราเนี่ยเหมกับท่านาที่ใจเห็นอกเห็นใจก็ อ, อยาน้อยลงไปเรงยตรงนี้วิธีฝึทกลมในในอไรก็ใช้ข้าตัข้อไหนดีการอธิษฐานเริ่มต้นในการให้ทานทนะานเนี่ยเป็นบา ร, รมีนะการบารมีเส็จก็ดี ท, ดทศวิริยธรรมเสร็จก็ดี บุญเกลยวไม่ดสิก็ดีเริ่มต้นที่ทานนะที่การให้สอนตัวเองสอนลูกหลานด้วยการให้ด้วนยะการเสียสละนะให้คนที่เขาลำบากคนสมัยก่อนก็เริ่มสอนเด็กสอนลูกสอนหลานด้วยการให้ทานด้วยการตามพ่อแม่ไปใส่บาตรนะเด็กได้เด็กที่ได้เดติบโตมากับพ่อแม่หรือ ตายายที่ใสบ่บาตรเนี่ยทุกเชา้าทุกเช้าเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจเรื่องการให้ทานแล้วต่อไปเขาก็จะให้ทานไม่ใช่กับพระให้กับคนเดือดร้อนคนตกทุกข์ยากหรือแม้กระทั่งเพื่อนบ้านที่มีปัญหาแล้วเพระ้เพราะว่าเมื่อเขาให้ทานเนขาจะพบความสุขที่ใจเขาจะเข้าใจที่พระเจา้าตรัสว่าผู้ให้ความสุขเดิมแต่ับความสุขต่อมาเนี่ยพอให้ทานแล้วก็เปลี่ยนมาเป็น า ก, การสละสิทธของก็เป็นการสละเวลาสละแรงกายก็คือเป็นกิจอ า, าสาภาษาพ่าเราเรียกว่าอาาัจฉริยานะซึ่งเป็นหนึ่งในสาตว์วัตุสี่นอกจากทานแล้วก็มีปีญจวาจาก็คือผู้เคาะผู้สุดท่าแล้วก็อาาัจฉริยาก็คือการช่วยเหลือเพื่อนดวงนี้เองไอ้พวกนี้เนี่ยมันเป็นการช่วยลดละอัตตาแล้วก็ช่วยทําให้เราเนี่ยนะ มีความสุขได้ง่ายอัตราผู้กับคนที่ก็เป็นุจิตอาสาเนี่ยหลายคนเนี่ยก็ เ, เปลี่ยนแปงโดยที่ตัวจตจ้าวจะไม่รู้ตัวคนที่เป็นบุจิตอาสาดูแน้าเด็กเด็กเล็กเด็กกำพร้าที่บ้านปักเป็ดเนี่ยหลายคนใจเย็นลงนะหลายคนเนี่ยดูดาว่ากล่าวลุกน้องเนี่ยน้อยลงเพราะว่าอ การที่เขาได้ดูแลเด็กมันได้สุดความหมดคนได้สุดความสนมใจได้สุดความเข้าใจบางคนเนี่ยเป็นไมเกรนกินยาทุกวันไปไปกินอาสาเวะลาสองอาทิตย์ละสองวันทำไปก็สองสามอาทิตย์ก็ถุกคิดว่า เ, เราลืมกินยาปกติกินยาทุกวัน แล้วทำไมเดี๋ยวนี้เลยกินยาเพราะพราะมันไม่ปวดทํามไม่ปวดเพราะ ม, ม, ม, มีความสุขากับการที่ได้ได้ดูแลอีกอันนี้คือตัวอย่างคนที่เขามีความสุขจากการที่เขาได้ทําเพืดด่อทุกอีกและลูกของเราเนี่ยลางของเราเนี่ยควรจะรู้จักความสุขนิี้ด้วยความสุขที่เกิดจากใจเพรคาะว่าเสียสละหรือช่วยเหลผู้อื่นจริงๆดูแล้วธรรมะก็ไม่ใช่เรื่อ ไกลตัวสัไหน่อยน ะ, ะร<ช>ครับค<ช>ุณโบลีเราสามารถปฏิบัติกันได้ครับแต่ ใ, <ช>ในในสังคมเมืองเนี่ยาบามครา้งบอกพูดถึงเรื่องธรรมะนะครับหรือคนที่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนก็จะผูกมองไปเลยว่าแปลกแยกไม่มีปัญหาชีวิตหรือเปล่าหรือไมปฏิบัติธรรมอย่างนี้เป็นต้นตรงนี้่านอาจารย์มีความเห็ว่าอย่างไรครับกับสังคมยุคใหม่สังคมเมืองเราจะสามารถนําหลักธรรมมาปฏิบัติได้โดยที่ไม่แปลกแยกได้หรือไม่ คือถ้าคือถ้าเข้าใจเข้าใจจุดมุ่หงหมายของธรรมะและปฏิบัติถูกนะก็คือทำแล้วเนี่ยใจสงบกิเลสลดน้อยนะมาน่าทิฏถินะก็บันเทาเบาบางนี่ก็จะเป็นความแตกต่างที่อาจจะไม่ใช่ความแปลกแยก แต่ว่าถ้าว่าเราไม่เข้าใจธรรมะเราไปติดที่รูปแบบมันอาจจะเกิดความแปลกแยกขึ้นมาได้นะเช่นต้องทําตัวขรุนหรือว่าจะต้องมีรูปแบบบางอย่างกนะารปฏิบัติธรรมยมังมาไม่ถึงที่รูปแบบที่เจ้าตัดว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่นะมีใจประเสริฐสุดสำเร็จได้ด้วยใจ แล้วถ้าเราเข้าใจความหมายธรรมะเนี่ยเราโดยความเอือเฟื้อเผื่แผ่มีความใจเย็นเนี่ยตมาคิดว่ามันเป็นความแตกต่างแต่ไม่ใช่ความแตกแยกและทุกคนเนี่ยก็ย่อมจะมีความสุขที่ได้อยู่ใกล้คนที่ปฏิบัติธรรมและชนะมันแต่ถ้าเป็นการปฏิบัติธรรมเพื่อทิฏกิที่รูแปแบบอันนี้ก็มีความมุ่งหมายที่จะให้ตัวเองแตลกแยกคนอื่นอยู่แล้วเป็นการสร้างอัตลักษณ์ มีความจงใจสร้างอัตลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครนะอันนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกแปลกแยกกับคนอื่นไะด้หรือว่าปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยคอาเมนต์คนอื่นนะไปดูถูกคนอื่นว่าะเขาไม่ปฏิบัติธรรมฉันเข้าวัดเป็นประกานั้งแต่เธอไม่ปฏิบัติธรรมแบบนี้ก็มีนะประมาพปบมีนักปฏิบัติธรรมหลายคนเนี่ที่ที่จะแสดงการยกตนของท่านหรือว่าบางทีถึงขั้นไปเอื้อเฟื้อเกือเก้อกู่ เมื่อสองสามวัน ก, นก่อนก็มีรุ่นน้องมาเล่าว่าเนี่ยพาเพื่อนคนหนึ่งนะซึ่งเป็นนักปฏิบัติธรรมแบบโอ้แบบจริงจังมากเลยนะไปปฏิบัติธรรมสานักหนึ่งเนี่ยเจวันสิวันนี่สบายไปบ่อยด้วยนะก็พาตั้ไปส่งท้ายปีเก่าที่สํานักหนึ่งนะในภาคหนึ่งเธอก็ออกค่าผู้มีให้ก่อนนะ และระหว่างที่อยู่ที่นั้นเนี่ยค่าหารก็ออกให้ก่อนค่าเดินทางก็ออกให้ก่อนแต่ตลอ ด, ลอดนะเช่น น, นนี้นะเพื่อนรักปฏิบัติธรรมกันเนี้ยไม่เคยพูดถึงเรื่องเงินแทออนที่จะถามว่าเออแทนที่จะแทนที่จะมาแชร์กันนะ เ, นเงียบเลยนะคือเรียกว่ามีแต่ตัวมากนะทั้งที่ไปนี่มันต้องแชร์กันใช่ไหมแต่นี่นี่ทําเป็นเงียบ นะไม่รู้ไม่ชี้นะแล้วก็อ้างตัวเป็นนักปฏิบัติธรรมเนี่ยอันเนี้ยมันก็เรียกถึงเจตัวนะที่จะเอาเปรียบข้อมูลมันก็มีนักปฏิบัติธรรมแบบนี้เยอะซึ่งภาาว่ามีคนเหล่านี้คนแบบนี้อยู่ในในที่ต่างๆเนี่ยมันก็เป็นธรรมดาที่คนทั่วไปจะสงสัยว่าทาไมปฏิบัติธรรมแล้วเป็นอย่างนี้ใชไหอันนี้ก็ที่เขาที่เราตั้งคําถามก็อาจจะมีเห็นมีผลมีโมลยู่ นะแต่ถ้าหากว่าต้องรวจธทำเนี่ยในที่เขาเข้าถึงธรรมเนี่ยนะนยนะอย่างที่เรามาบอกนะเขจะแตกต่างกับคนอื่นนะแต่ว่ามันจะไม่ใช่มีความแปลกแยกแล้วก็อย่างนี้แหละที่จะชักชวนให้คนเนี่ยหันมาสนใจการปฏิบัติธรรมนะที่เจ้านายเนี่ยพอไปปฏิบัติธรรมแล้วสมบูรณนะไม่ด่าลูกน้องเหมือนเมื่อก่อนอย่าง น, นี้แหละเขาก็เริ่ม ใ, ใจแล้วการไปออกลงก็ต้ ด, ดีดีสักอย่างนะแฟนเนี่ยกลับมาเนี่ยตะวันบนที่บนนะั่นอ่านี้ไม่บนแนละเอ อ, อยางงี้เนี่ยคนก็เกิดความสนใจว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันคง ม, มีอะไรดีบางอย่างก็ทําให้เขาเกิดความสนใจที่จะไปลองดูบ้างค่ะพูดถึงเรื่องการชักควนผู้ที่มาปฏิบททัติธรรมคือในในปัจจุบันนี้นะคะส่วนใหญ่คนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยมักจะ เข้ามาเพราะว่าเจอทุกหนักๆในชีวิตเหมือนต้องเจอเรื่องหนักๆ ก, ก่อนแล้วก็ค่อยหัดมาสนใจการปฏิบัติธรรมในขณะที่คนทัท่วๆไปจํานวนมากเนี่ยเวลาเข้าวัดเนี่ยไม่มีสิงการปฏิบัติธรรมเลยกับพระอาจารย์คือตั้งใจเข้าวัดไปเพื่อเพื่ อ, อทำบุญสร้างโบสถ์สร้างพระพระอาจารย์มีข้อแนะนําอย่างไรคะกับการที่เราจะสามารถเป็นพุทธศาสนิกชนที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่ ชื่อในบัตรประชาชนเท่นานั้นนะคะคือเขาก็ต้องเข้าใจว่าพุทธศาสนานมนไม่ใช่แค่มไม่ใช่แค่สิ่งปลอบประโลมใจหลายค น, นี่มองพุทธศาสนานว่าเป็นแค่สิ่งปลอบประโลมใจหรือให้ความหวังเพราะฉะนั้ น, นก็ไปวัดนะเพื่อว่าจะได้ทำบุญจะได้เกิดความหวังว่าเราจะมีชีวิตที่ดีม้่งมีสิ้นสะุด หรือบางทีก็ไปเพราะมีความมีความมีความโลภเนี่ยมีปัญหาเป็นพื้นฐายค่ะเยอะเลยค่ะก็คือว่าอยากจะรวยค่ะนะลอยางที่จะมาบอกเนี่ยรวยยังไงถึงจะไม่เหนื่อยนะฝรั่งเนี่ยหรือญี่ปุ่นเนี่ยถ้าอยากรวยเขาก็ต้องขยันแต่คนไทยจำนวนหนึ่งเนี่ยนะอยากรวยเนี่ยก็ไปต้องพาสิบสาสิบไปขอไปอธิษฐาน อจิฐานด้วยนะภาษาบาลีนะมันแปลว่าความตั้งใจมั่นความตั้งใจแน่วแน่ที่จะทําสิ่งดีเป็นบารมีนะเป็นบารมีที่ทําให้ผูุ้จชนเป็นพระพุทธเจ้าแต่อจิฐานสมัยนี้แปลว่าอะไรเราขอแทนที่จะเป็นความมุ่งมั่นที่ทําดีนะเมื่อเขาว่าทานเนี่ยทานจะแกลว่าให้แต่นี้เ๋ยนี่แปลว่ารับใส่รับเข้าป่าใส่ท้อง ราประทานอาหารเนี่ยทานอาหารหรือยังเนี่ยนะทานนี่นะมันต้องแปลว่าให้ไม่ใช่แปลว่ารับเข้าไปแต่ทีเนี้ยเราแปลว่ารับเข้าไปอธิษฐานเนี่ยแทนที่เป็นว่าเออมุมันที่จะทําความดีากับการในการขอวิงวอนอ้อนร้องขออันนี้ก็เป็นแรงจูงใจของคนจนไม่แน้อนอนคืออยากรวยแต่ว่าทําไงรวยโดยที่ไม่ต้องเบียดยากโดยไม่ต้องก็ไปเข้าไป ไปคนบาปไปทุกทางนะหรือเดี๋ยวนี้ก็ไมไปวัดแล้วก็ไปสังกัดอาจจมีสำนักเทศสำนักชูชมก็ได้ น, นั่นก็เรียกว่าเป็นเป็นเป็นข้อมีมีอ่ามีกิเลสเป็นตัวขับดันนะแต่เราเชื่อว่าศาสนาเนี่ยนะมันพุทธศาสนาเป็นมากกว่านั้นจะบางคนเนี่ย ข้าถารัชญศาสนาเพื่อหวังสิขขออ่งตอประโลใจเพื่อหวังว่าจะได้มีอะไรที่เป็นคํว่าสัญญาเพื่อจะทําให้เราเมีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตซึ่งก็ไม่จริงหายแต่จรินแล้วเนี่ยศาสนาเนี่ยหรือพทธศาสนาเนี่ยสามารถจะให้เรามากกว่านั้นก็คือาการให้วิธีทางสู่ความพ้นทุกขอ์อย่างแท้จริงซึ่งจะต้องอาศัยบางเตียง อาศัยความพยายามในการที่จะลดละทีเหนื่และฝึกปืนให้เกิดปัญญาตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่คนจำนวนไม่น้อยเนี่ยเขายัางมองไม่เห็นไม่สนใจก็ทาให้การติดช้าที่ของเขาเนี่ยมันขาดโอกาสที่เขาจะได้สิ่งากพุทธศาสนาและอาจจะทำให้การเก่ดมาเป็นลุงเขาเนี่ยมันมันได้ไประโยชน์น้อยแต่นะที่เออเราเป็นมนุษย์ันชีเนี่ยนะเราจะได้คนโก้คนทาสูา่ความมัน่นคงน กับวนเวียนอยู่กับเรื่องของบ้างมีสีสุกนะครับกธรระทรัได้ล่าได้ดยศต้รเสริมความสุขสบายทางวัตถุซึ่งชีวิตหรือความเป็นไปนเนี่ยมันน่าจะให้เราได้มากขอครับครอบผถ้าเช่นนั้นนะครับสำหรับคนเมืองหรือว่าคนที่ อาจจะไม่ได้มีเวลาที่จะประโยชน์ทำอย่างจริงจังตั้งแต่แรกนะครับหรือว่าเป็นมือใหม่เริ่มจะแก่ความมนะครับอาจารย์จะให้คําแนะนําในการเริ่กต้นปฏิัรชนให้หลังอย่ยงไรดีครับก็กลับมาที่การให้ทานนะแต่ทำไมย้ํานะไม่ใช่ว่าให้ทานกับพระหรือว่าบริจาคในเทพวัดเท่านั้นนะคนยากคนจนคนเดือดร้อนหรือว่าให้ทานเพื่อส่วนรวมก็ได้นะ ที่อันนี้เนี่ยในหลวงก็เป็นแบบอย่างที่ดีนะพระองค์เนี่ยบางคนก็สมมติจะทำพระองค์ก็บางเหตุเรื่องบางเหตุเรื่องทานเยอะน ะ, ะพระประธานจุนทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อเป็นประโยชน์ใ น, ในกับประเทศชาติถึเหมือนโครงการหลวงหรือว่าให้ทานถวายพระประธานจุนทรัพย์ส่วนพระงจากคนที่ตกทุกข์ได้ยากประสบภัยที่บตดภัยธรรมชาติคนที่ยากจนในเขตทุรกันดาล อากที่ว่า น, นี่ถ้าเราเริ่มต้นง่ายๆจากการให้ทานนะแล้วก็การพยายามที่จะรักษาศีลให้ให้ครแล้วก็พยายามฝึกจิตให้มีสติความมุจตัวอยู่เสมอภาวนาเนี่ยนะมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องเข้าวัดเสมอไปเราสามารถจะภาวนาในการฝึกจิตได้ด้วยการที่เรามีสติทำความมุจตัวอยู่เสมอเวลาทําอะไรเนี่ยใจเราก็เราก็ใส่ใจอยู่กับสิ่งนั้น เดนี้เนี่ยฝรั่งเนี่ยเขาตื่นเต้นและเข า, ข า, ขาเขาสัตเขาเห็นความสําคัญของการเจริญสติมากเพราะว่า mindfulness เนี่ยเป็นคําที่ฝรั่งเนี่ยคุ้นเคยมากในปัจจุบันในอเมริกาในยุโรปใช่ครับ mindfulness ก็คือสติ mindfulness หมายความว่าเวลาทําอะไรเนี่ยเราก็ใส่ใจลงไปในสิ่งนั้นเวลากินข้าวเราก็ใส่ใจลงไปในการกินข้าวก็คือไม่ใจลอยเราใสเราใส่ใจลงไปนะหรือว่า ใจเนี่ยเราเต็มร้อยอยู่ละสิบนั้นเรื่องตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาอาบน้ําถูฟันล้างหน้าเก็บที่นอนเราก็ทําอย่างมีสติเอาใจใส่ลงไปในกิจกรรมเหล่านั้นเต็มร้อยเลยนะไม่ต้องคิดเรื่องอื่นนะอย่าเพิ่งไปคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะวันนี้เราจะต้องทํางานอะไรเรามีนัดหมายที่ไหนนะอันนี้เป็นพรานาอย่างหนึ่งนะเป็นการเจริญสติ หลังง่ายๆคือตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนะนะแล้วต่อไปเนี่ยพอเราจลสติบ่ อ, อยเนี่ยเวลาทําอะไรนะเคลื่อนไหวกาย ก, ก็รู้ก็เรียกรู้กายเคลื่อนไหวเวลาใจคิดนึกปรุงแต่งอะไรก็รู้ทันอันนี้เรียกว่ารู้กายเคลื่อนไหวเห็นใจคิดนึกนะตรงนี้ช่วยได้มากเพราะว่าคนเราเนี่ยทุกข์เพราะความคิดตักวันนี้เราไม่ได้ทุกข์กายนะ ส่วใหญ่ทุกข์กใจและทุกข์ใจเราทุกขความคิดคิดถึงเรื่องที่ผ่านไปแล้วก็เกิดความเศร้าเกิดความโกโรธเกิดความสึกกิดคิดถึงเรื่องที่ยังมาไม่ถึงก็เกิดความกังวลที่ตกตะวันตระวาซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของสมัยนี้ความตะวันตระวาความที่ตกแต่ถ้าเกิดว่าเราเนี่ยนะรู้จักเอาใจมีขอปัจจุบันเนี่ยมันจะโปร ม, มันจะเบาเราฝึกได้ นะในชีวิตประจำวันเวลาลถติดเนี่ยนะจิตจะตกรถติดแต่ว่าจิตไม่ตกรักษาใจเราไม่ให้จิตตกเวลาลถติดเนี่ยให้บอกกับเราว่าเสียแค่เวลาแต่อารมณ์ไม่เสียคนอย่ยงนี้ซ้ำเติมตัวเองนะ ซ้ติมตัวเองคือพอ ร, รติดเนี่ยแทนที่จะเสียแค่เวลาเสียอารมณ์เนื้อแต่พอเสียอารมณ์นั้นบางทีก็วุ่นวายใส่ใส่ลูกใส่ใส่ภรรยาใส่สามี ค, คนเร า, น า, านเนี่ยถ้าฉลาดเนี่ยเมื่อจะเสียก็เสียอย่างเดียวคือเสียเวลาแต่ไม่เสียอารมณ์เราทำก็ได้เพราะเรามีสติรักษาใจเวลาเงินาหายคนสั่งหาย คนฉลาดเนี่ยก็จะเสียกั่ของแต่ใจไม่เสียแต่ถ้าเราไม่รักตัวเองเราไม่รู้จกกักรักษาใจเนี่ยเราก็จะเสียใจเสียใจบางทีเสียเสียมากจนกระทั่งกินไม่ได้นมาไม่หลับเสียสุขภาพทํางานทําการก็ไม่มีสมาธิเพราะว่าขัดทุ่มใจก็เสียงานมีเพื่อนมาหยอกมาแซวก็โมโหด่าทอเพราะว่าการเสียเพื่อนอยู่ บอครั้งเนี่ยเราซ้าเติมตัวเองแทนที่จะเสียแค่เงินเราก็เสียใจเสียสุขภาพเสียงานาเสียเพื่อนอันนี้ไม่มีใครทํานะเราทําเองขโมยเนี่ยเข า, ขาโมยได้แต่เงินขโมยได้แต่โทรศัพท์หรือขโมยรถแต่แเสียอื่นเนี่ยนะเราทําเองนะั่นแหลแต่ถ้าเรามีสติและสัดใจเนี่ยนะมันก็จะเสียแตงเงินนะแต่ว่าใจไม่เสียยังกินได้นอนหลับยังมีสมาธิทํางานนะ หยอกล้อกับเพื่อนก็ก็ยังคุยกับเพื่อนได้ปกติแค่งลองลองภาวนาแบบนี้ดูบ้างนะภาวนาจาการช่วตประจมงวันแต่ส่วนใหญ่ท่าบบนีนไ้ได้แล้วมันต้องก็ไปฝึกเข้มก่อนไปฝึกเข้มอาจจะฝึกเข้มที่วัดที่สํานักเพื่อว่าจะได้รู้ว่าเออการจูใจรักษาใจทำยังไงทํางานเราจะมีสติมีความรู้สึกตัวตอย่างที่เป็นจุดเริ่มตน้นจุดเริ่ตมต้นถึงต้องไปเรียนรู้วิธีต่อแเราจะได้รู้ว่ามันทำยังไง ก็ามาฝึกเองได้ที่บ้านนะคะค<ะ>ระอาารย์คะแล้วนอกจากเรื่องของการมีสติแล้วยังควรมีหลักคำใดที่เราควรจะํารได้ขึ้น ใ, นใจในการใช้ชีวิตประจำวันอีกไหมคะอาตมาาะให้3าข้อนะที่ช่วยทำให้ชีวิตเรามีความสุขและมีคุณภาพ<ะ>ซึ่งบางส่วนก็พูดไปแล้วก็ถึงมือเนี่ยให้รู้จักคิดถึงคนอื่นบ้างอย่างนี้ถึงแก่คนวอ<ะ>สอง อย่าหวังลากลอยคอยโชคหรือนิยมทางรัฐให้รู้จักเพิความเพลินเพลินบ้านะสามให้รู้จักความสุขที่ไม่อิงวัตถุเกิดมาตั้งทีเนี่ยไม่รู้จักความสุขนะที่มันไปคนวัตถุเนี่ยเีย่เสียชาติเกิด น, นะเพราะความสุขทางวัตถุนี่มันยากมากแล้วมันเจือไปด้วยทุกนะ มันเจอไได้วยทุกข์เพราะว่าต้องเหนื่อยในการแข่งขันเหนืยในการรักษานะและถึงเวลามันหายซึ่งเป็นธรรมดาถึงเวลามันเสื่อมไปซึ่งเป็นธรรมดาโลกก็ทุกข์อีกนะมันเป็นความสุขที่เจอไปได้วยทุกข์หรือบางทีเรียกว่าสุขชั่วคราวแต่ทุกข์ยาวนานนะพระเจ้าเปลี่ยนเหมือนกับว่าความสุขชนิดนี้เหมือนกับ คบไฟเนี่ยที่ทำด้วยยาแห้งมันให้แสงสว่างก็จริงแต่ว่าควันเนี่ยก็เยอะทำให้เราคลายเครืองทำให้แสบตาคือเป็นสุขที่เจือไปได้วยทุกอันนี้คือสุขที่เกิดจากวัตถุอันที่เรียกว่าการมาสุขนะแต่ถ้าเรารู้จักความสุขที่มาไม่เิงวัตถุบ้างเช่นความสุขจากการทำความดีความสุขจากการเสียสละ ความสุขจากการรักษาใจให้สงบความสุขจากใจที่มีปัญญาจดรู้จับป่อยู้จักวานได้แต่นี้แหละจริงๆเรียกว่ามันคุ้มค่าการเกิดมาเป็นมนุษย์ครับผมเป็นอะไรบ้างครับสาหรับท่านที่นั่งฟังอยู่ในขนาดนี้นะครับเราได้ธรรมะอันร่ำค่าจากพระทาจารยไพศาลเอง ชั่วโมงกว่ากนี้นะครับก็ได้อะไรไปมากเสียเดียวตอนนี้จะถึงช่วงของคําถามจากท่านผู้ชมนะครับไม่ทราบว่ามีท่านใดที่ต้องการจะกราบเรียนถามผู้อาจารย์โดยตรงนะครับเรามีพิธีกรข้างสนามซึ่งพร้อมจะนำไมโคโฟนไปให้ท่านนะครับได้ได้กราบเรียนถามกันเลยครับไม่ต้องเผล่นะคะยกมือได้เลยนะคะมีทางนี้ยก้นมือหรือล่าะค่ะขอขอบคุณของบใจด้วยค่ะ ยกยกให้สูงๆนิดหนึ่งนะคาเรือบานนี่แเรียญแอ้จา์พี่ากลค่ะคือในช่วงนี้มีข่าวค้างพระพุทธศาสนาคือ ถ้าประชาชนคนธรรมดาทั่วไปที่ไม่รู้ซึ้งทางพระพุทธศาสนาก็จะมีควาันเข้าใจว่าเราจะเป็นชาวพุทธเนี่ยเราจะเดินไปอย่างไรให้ผูกฐานในเมื่อพระสงฆ์ที่เป็นสาวของพระพุทธองค์แบ่งเป็นสองฝ่ายคือฝ่ายพระสงฆ์ในตามเมือง ขึ้นี่ต้องการเสืเยนว่ามียศขึ้นยอมแข้ไได้ตรงเนี้ยแต่ทางพักด้านหนึ่งขึ้นเป็นพัะประชาชนพัะธรรมดาทั่วไปเน้นการสอนศาสนาในทางที่ถูกต้องในระเบียบพักธรรมวิไลสองมุ่งอย่างเนี้ยแล้วแบบพอเห็นอย่างเนี้ยทางหน้าข่าวก็แบบ ทำไมโลกของขา้าพุทธเราจะรอ้อนเราอุให้คิีให้ติดซาร์มซันเตอรเรามากกักเพียงใดเรามีทางแก้ไขใหมครัธะาจารต้องเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนนะเริ่มต้นที่ตัวเราก็คือว่าให้เราเนี่ยเข้าใจนะคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไร แล้วก็เพื่อเข้าจใจถูกต้องแล้วก็พยายามปฏิบัติให้เกิดผลนะถ้าเกิด ว, ว่าเรารู้ว่าพระเจ้าสอนอะไรแล้วเราปฏิบัติจนเกิดผลเนี่ยสัตยาในพระรัตนตรัยที่แน่นแฟ้ก็จะเกิดขึ้นแล้วเราก็จะไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะอย่างที่คุณพูดถึงนะเพราะเราก็รู้ว่าออกมาปเป็นเรื่องของกิเลส น, นะที่ มันสามารถจะเกิดขึ้นได้กับทุกวงการเราก็จะไม่หวั่นไหวไปกับพฤติกรรมของพระบางรูปที่ปฏิบัติไม่ถูกเพราะเราดูว่านั่นไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าและนั่นไม่ใช่เป็นสาระสําคัญของสิ่งที่เรียกวพุทธรรมเราจะมองเห็นสิ่งเหล่านี้เนี่ยว่ามันเป็นเครื่องเตือนใจนว่าให้เราเนี่ยเพ้อไคลหรือประมาท เพราะว่าขนาดพระซึ่งบวชมาก็ยังตกอยู่ในกระแสของโลกธรรมเราก็จะได้ดูแลรักษาตัวของเราให้ดีให้ประมะาณลักษณะเดียวกันก็มันก็แสดงให้เราเห็นนะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยว่าอันนี้มันเป็นธรรมดาโลกที่จริงเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับพุทธศาสนามาโดยตลอดตั้งแต่สมัย ตั้งแต่หลังสานพุทธการด้วยซ้ำอย่างนี้เกิดว่าเราเข้าใจเข้าใจคำสอนของพระพุทธองค์และเราปฏิบัติให้ถูกต้องเราจะมีศรัทธาเราจะวางศรัทธาในสิ่งที่เป็นเป็นสิ่งประเสริฐเป็นสารณะอย่างแท้จริงเราจะไม่วางศรัทธาของเราไว้กับตัวบุคคล ที่คุนพูดมาที่เป็นเรงตัวคนงานเงนะิแล้วก็เราก็รู้ว่า อ, อันนี้เป็นแค่สมุจิสงเวลาพูดถึงพระรัตนตรยัยนะสัตธาน พ, พุทธประทามพระสงฆ์เนี่ยพระสงฆ์ในที่นี้ก็หมายถึงอริยสงไม่ได้หมายถึงสมุจิสงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าสมุติสงจ ะ, ะปฏิบัติตัว ผิดพลาดอย่างไรเนี่ยมันก็ทําให้ทําให้สัมพันธ์ในพัฒนาการบริษัทไทยในพันสุน์ผสมไความแพร่ได้แล้วก็เมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะเผยแค่หรือชักชวนให้ค น, นได้มาได้มาศึกษาได้มาปฏิบัติอย่างที่พูดมาด้วยแล้วพยายามรวมกลุ่มกันนะเพื่อที่จะช่วยกัน เคยแผ่ต้องทํำคำสอนที่ถูกต้องส่วนมทั้งถ้าเห็นว่ า, านักสงฆ์มีปัญหาก็ควรจะต้องคิดหาวิธีว่าเราจะช่วยยังไงให้มีพระสงฆ์ที่ดีเกิดขึ้นมากขึ้ซึ่งในความหมาตมาเนี่ยเพื่ต้องรวมไปถึงการบำรุงคณะสงฆ์แต่นั่นเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องระยะยาวแต่ว่าการส่งเสริมพระดีนั้นก็เป็นสิ่งที่ควรทำ องค์กรอย่างน้อยนุตานก็เป็นความพยายาของญาติโยมซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นคลุภัณฑ์นะัอันนี้เราว่าเป็นความตั้งใจที่ดีควาเป็นความเป็นการยเยื้อที่ดีนะที่ชาวพุทธหรือว่าคลุัณเนี่ยจะต้องช่วยกันอย่าอย่ามองว่าวนีเป็นเรื่องของพระสงฆ์เราไม่เกี่ยวจนะต้องช่วยแตนน่คนเราไม่คนเราเองตามกำลังที่มี รวมกลุ่มกันให้ได้แล้วก็ประสานกันเป็นเครืองครายมันก็จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้มนมาได้สมัยก่อนเนี่ยการปฏิรูปพระนสมเนี่ยหรือว่าการแก้ปัญหาในวงการศาสนาเนี่ยจะต้องอาศัยพร ะ, ะ, พระหมหาอสสัด ต, ต้องอาศัยพระมหาอสสัดตั้งแต่อาศัยพระเจ้าอาสส์เป็นต้นมาจนถึงเมื่อเราเสีกดวงพรันี่สองเนี่ย คณะสงฆ์ก็แปรทุ๊บก็เรียกว่าระสังระสายมีภาพระกษศิีมากก็ใสัชกาลที่หนึ่งเนียนะมาช่วยสังเตราราฟุนฟะูแล้วก็สืบเพื่องต่อมาจนถึงสมัยรัที่5านซะึ่งมีการถูกกระดูกการสื่อาคณะสงฆ์ถูกกระกับของคณะสงฆ์บางมาแต่สมัยนี้เนี่ยนะมันไม่ใช่สมัยสมุนญาสุขิ น, านะ น, น, านราอำนาจสูงสุดเลยคือตระนักรส์อย่างสมัยก่อน แต่ว่าการเปลี่ยนใปกันเกิดขึ้นได้เนี่ยเราจะหวังผู้รัฐบาลจะต้อยอมรเพราะรัฐบาลก็มีเรื่องที่ต้งทำเยอะแล้วก็โดยมากก็ประเด็นงการรัฐบาลก็มไม่ค่อยเรื่องศาสนาไม่ค่อยเรื่องพระสงก็ไม่กล้าไม่อยากจะเอามือทุกดนะีนั่นก็ะเปเ ร, ระเรื่องของคาราว่าเรื่องรเรื่องขาดอ้ที่ต้องช่วยกันนะรวมกลุ่มกันเป็นเรือนคายเพื่อเพียง ก, กับเพื่อนให้เกิดสิ่งดีขึ้นใน บมการพุศาสนาไม่ต้องไปกลัวศาสนาอื่นนะไม่ต้องกลัวศาสนาอื่นเพราะว่าปัจจัยภายน อ, นอกเนี่ยเป็นปันจจัยรองพรารยักวว่าเรือจะล่มเนีกพต้นฝนไม่ใช่พนะเพราะลมพายเข้าใจไหมเรือจะล่มเนี่ยก็เพรต้นฝนน ะ, ะว่า พุาศาสนา่าเสือ่อเนี่ยก็เพราะชาวพุทธไม่ใช่เพราะศาสนาอยู่แต่ชาวพุทธเราไม่ไ ม, ไม่ไม่เข้าใจคําสอนแล้วก็ไม่ปฏิบททัติให้ถูกต้องจนเกิดผลมันก็จะทําให้เกิดความอ่อนแอแล้วก็จะถูกกลืนถูกกลืนอย่างที่เกิดขึ้นในอินเดียไม่ใช่าาว่าอิาสลามเนื่องจากว่าศาสนาอื่นศาสนาฮินดูหรือบากลืนเขาไม่อชศาสนาใหญ่ข ส่วนในความศาสนาหินดูกันอันนี้พ่ความอดแอะเพื่อศาสนาของชาวูเอื่นในตลาดชื่อว่าอันนี้เป็นเรื่องเป็นโจทย์ใหญ่ที่เราควรจะใส่ใจนะตลาดชาวผูอื่นค่ะมีใครมีคำถามหรือไหมคะใครน้มีนหคะกับมาลูกศิษยอาจารย์กับับมาลูกศิษาจรย์คะ เวลาที่เราเห็นอะไรที่มันแปลกูใส่เงาจิตแล้วนะคะเสร็จแล้วเราไปปฏิภาพที่มนานในารด้านที่เราไม่ทําสติเองเราใช่เราไม่รู้ทันเราไม่รู้ทันใจข เ, นะเราเราจะมองข้างนอกนะและพอเรามองข้างนอกเราเห็นภาพที่เกิดใจเราเกิดความโกรธแต่เราไม่เห็นความโกรธที่เกิดขึ้นในใจพอให้เห็นเนี่ยความโกรธก็ลุกลามจนกระทั่ สั่งให้เราพูดออกไปสั่งให้เราว่าออกไปนะแต่ถ้าเราดูาสติกกนเนี่ยเราก็จะเห็นลมใจเป็นกลมกวนะความสงบก็จะเกิดขึ้นกับใจเราบ่อยครั้งเนี่ยการไปบ่อยครั้งเนี่ยความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยที่จะไปจัดการกับอื่นเรื่องดูใจตัวอย่างที่ชัดเจนนะคือตัวอย่างของมาร์กกา ร, กา ร, การ์รูนอะัตราขอ่อไรยที่เรพูดถึงนะก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่า น้องเนี่ยแกไม่ชอบคนที่ชนแล้วหนีคนชนแล้วหนียังเป็นคนที่น่ารังเกียจเป็นพฤติ ก, การที่ต้องจัดการต้องสั่งสอนนะฮะแต่วฤติการสั่งสอนแกเนี่ยสั่งสอนด้วยวิธีอะไรใช้กำลังด่าไม่พอป อ, อยตบแล้วก็วิ่าหนีทำไมหนีทำไมอันนี้แสดงเห็นเจตนาต้องการสั่งสอนคนที่ชนแล้หนีเจตนาดีนะ ม, มองเจตนาดีแต่ว่าพอไม่รู้ไม่รู้ทันจิตใจตัวเองเนี่ย ปให้ความโกรดข้างาเนี่ยก็าการเป็นว่าทําเรื่อยน่าหงุดหงิดเลยไม่ได้ทําปเรื่อยเจตนาดีนะ อ, อยากจะรักษาความดีความถูกต้องในสังคมแต่ว่าใช้วิธีการไปปล่อยว่านเนี่ยอันนี้เรียกว่าทําผิดในสิ่งที่ถูกสิงที่ถูกก็คือว่าอยากจะรักษาความดีอยากจะทําให้เกิดสติทการในสังคมอันนี้นเป็นความดีน่าสรรเสริญแต่ว่าถ้าเราไม่ระวังมันเราจะทําผิดในสิงที่ถูกก็คือว่า ทำสิ่งที่แย่กว่าคนอื่อย่างคนที่ชื่อว อ, อยก็แค่ทำให้ทรัพย์สินแช่หายแต่ว่าพอเราต้องการสั่งสอนคนประเทศนี้เพราะโจล่าหนีเนี่ยก็เราเผลเน่เราก็ไปทําร้ายร่างกายเขาหนักประเดิมดัง น, นี้เวลาเวลาเห็นใครติดเพลิห็นใครทําอะไรให้ถูกเนี่ยอย่าลืมต้อมาดูใจเราก่อนเพราะว่าไอตอนนั้นแหละที่พิเล่มันจะมันจะมันจะถกโอกขาดพิเล่มันจะร้ายมากนะ มันจะช่วโอกาสทุกเหตุการณ์แม้กระทั่งในเวลาที่เราอยากจะทําความดีเนะี่ยมันก็ช่วยโอกาสมาแสดงตัวการเป็ว่าแทนที่เราจะทําความดีกับการทําการการทํำสิ่งที่ในบวกไปนั้นะกลับมาดูใจเราเ น, นนะี่ยเป็นสิ่งสำคัญมากเลยก่อนที่เราจะไปจัดการตัวเองครับคำถามตามอาานะัอไปครับ แบบม่น่าสบานไม่น่าจเยคือตุ๊กเเป็นคนที่ไม่ได้ดูทีวีเลยแล้วก็ดูแต่ลายนะคะบริภทขายัองทางเน็ตทีไม่ทราบว่าจริงหรือเท็จคะที่ว่าอับเดกอดร้อนมหาบัวเนี่ยถูกกระนั้นแ่างวิทยุคือโดดมันไม่ได้ดูทีวเลยอันนี้ไม่ทราบว่าจริงเท็จได้ข่าวนะตอนตอนนี้ไม่ทราบเป็นไงแะต่อดีตใช่เพราะว่า รัฐบาลก็มีนโยบายที่จะเรียกว่าปิดยุทธิที่ชุมชนแล้วก็มาเริ่มต้นเริ่มต้นมาขอกันใหม่คือว่าตามาในก่อนก็มียุที่ชุมชนนะแต่ตอนนี้ก็เปิดไป็นรัฐเขามีนโยบายรัฐบ า, า, าลหรือคำสั่งรัฐบาลซึ่งก็เกี่ยว้อง ก, องกับสชด้วยนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยาการที่จะทำยุที่ชุมชน เ, นเป็นเรื่องยากขึ้อ น, นอัฐบาลก็เข้าใจว่าถ้ากรณีบอกว่าสถานที่ของตาหนาบัวเนี่ยยังปิดอยู่ก็เข้าเห็นอยู่นะ ถาม่อไปค่ะท่านใดสงสัยเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมในยุคสมัยนี้นะครับขออนุญาตกลาวเตือนเปิดสารอาจารย์ว่าความสุขของประชาชนแม้จะชมีความสุขของประชาชนแม้เราจะมีความสุขมากขึ้นถ้าเราไม่ถูกบังคับจนเกินไปหรือถูกบีบคั้นจนเกินไปทยิโยมเห็นว่า คนไทยเราเนะ่ส่งไปชมีบบเป็นภูเขาไปก็จริงเุิบ่อโลกแต่ทำไมเรื่องที่ควรควรที่จะช่วยกันในหนู่าวพวแน่เงียบโถหรือว่าไม่กล้าที่จะร่วมกันส่งไาชนีแบบเป็นภูเาตปแล้วขอให้ส่งสถานีทางโลที่เผยแข่ทํามะทำไมเนียบอถ จะมีวิธียังไงที่จะสุขสิตสำนึกให้รวมกันที่ว่าจะให้มีสิ่งดีๆเผยแพร่ต่อไปก็ต้องมีข้อมูลข่าสารที่รับรู้ทั่วไปก่อน <Okay. S 2> แล้วก็คนยังไม่ค่อยรู้หรอกเรื่องนี้นะแล้วก็ไม่ได้เห็นว่าเป็นปัญหาอย่างไรแต่งและาูกตาจะมาคิดว่าเนี่ยคุณแม่ไม่มหวิธีอยู ไม่มีสถานีวิทยุนนะก็ ode. ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นปัญหานะก็แต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยการเผยแพร่พุทธศาสนาก็ไม่แพร่สายสถานีวิทยุแ้แต่มาคิดว่าุทรภู่ีสถานีวิทยุเนี่ยนะมาจะมาว่ามันก็ยังมีช่องทางทำอะไรเร่อเยอแยะนะเพราะฉะนั้นจะไปจะไปไม่ตกมากเลยนะเพราะว่าพุทธศาสา น, นาก็ยังอยู่ได้ถึงน่้ว่าจะถูกสถานีวิทยุทุ่ชนทั้งประเทศก็ตามนะเพราะว่า คนปุญญาตายายเนี่ยเขาก็ทำให้พุทธศาสนามั่นคงได้โดยที่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรมากมายสมัยก่อนก็ใช้ด้วยการเดินพระเจ้าท่าเจ้าโสก็ส่งสมณะพูดมาก็เรียกว่ารับผู้เลียมามากวกว่าจะมันในไทยหรือสมพูแต่ว่าขณาที่ไม่มีเทคโนโลยีอะไรเล ย, เยก็สามารถที่จะทาพุทธศาสนาเนี่ยมั่นคงแาบนานนับพันปี เพราะฉะนั้นอย่าไปปริทิศตกนะว่าถึงไแมว่าสายชีวชุมชนตน่อตามหาวัวจะปิดนะมันก็ได้แปล ว, ว่าจะไม่มีท่องทางอะไรที่จะทำได้เพื่อภาษาสนาิษฐานท่านต่อไปครับข อ, บอที่สองค่ะจะมีประเด็นที่การวาใจามาบ้ากัน น, นคหรับ ดีมันดีดีค่ะดีคุประเด็นของพี่ขาดตักษะมากแล้วยเฉพะย่งที่อกว่าวนี้ว่าคำนั้ไร้ใจที่สุดทำยังไงมนจะแผดสศาสนาคุทธภษาที่คนจีบหลัาได้จังมากกว่าภาษาต่คือเคยเป็งนัวชมงานศพ้วมันจะศาสนาเป็นสเราทําเขาออกทุกคำแต่พอเราไปไล่ตัดส่วนที่เาไศาสนาทเี่นสี่จบเลยเราไม่ืเลย ถ้าจะทำบงมือแป้จะมีทางนะคะที่ว่าจะมีการพยายามที่ายอมัความจริว่าถ้าเป็นภาษาที่คนเข้าใจเนี่ยคนั้นก็จะเข้าถึงคนได้วางความทกขึ้นแล้วก็จะใชประโยชนมนะครับอันนี้ก็มีความพยายามที่ทาให้ระทีอย่างงานศพมีติดท่าถัดออกมาอย่างว่าโชระทานก็รนเดอร์แล้วก็อะไรว่าก็อ่ก็ นำไปนำไปไปยุใช้น ะ, ะแต่สมาธิว่าเนี่ย <c oughs> ก็ย้อรับปปัญหานะเพราะว่าสมาทิวส่วนเนี่ยเป็นข้อระบบการศึกษาของพระสงฆ์เนี่ยซึ่งค่อนข้างจ ะ, ค, งจะค่อนข้างจะเก่าล้าสมัยนะก็ทําให้พระเนี่ยท่านก็จะติดอยู่กับรูปแบบอยู่กับขอยคทางที่เป็นภาษาบาลีค่อนข้างมากและ อาจารพูดว่าจำนวนไม่น้อยในการศึกษาคณะสงเนี่ยในเรื่องการท่องจําเมื่อท่องจำเนี่ยโดยที่ไม่เข้าใจสาระและไม่รู้จักประยุกธ์ใช้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะออกมาแย่งสังการข้องหรือว่าลอกเอาคําศับบาลีหรือว่าพุท ธ, ธพจนังตูนเนี่ยมานะคือคนเราเนี่ยครับแต่ว่าเราเข้าใจความหมายเนี่ยนะก็สามารถที่จะพลิกแปล ไม่ต้องใช้ภาษาบาลีใช้ภาษาร่วมสมัยเนี่ยก็สามารถจะสื่อธรรมะที่ลึกซึ้งได้ใช่แต่พอไม่เข้าใจความหมายแล้วก็ไม่ได้ฝึกฝนมาให้รู้จักคิดไม่รู้จักประยุกต์ใช้เนี่ยก็จะเป็นอย่างที่เราเห็นก็คือว่ามีการขั้นลอกหรือว่าเอาเรื่องราวในพระไตรปิฎกหรือชาตกเนี่ยทั้งบูนมา เชื่นอนะอาจารย์คิดว่าเนี่ยก็เป็นเรื่องที่จะมาเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาที่เลื้อนลังมานานคือการาศึกษาคณะสงฆ์ที่ค่อนข้างจะเรียกว่าไม่ทันที่สมัยการศึกษาทางโลกเนี่ยปฏิรูปมาไม่รู้กี่ครั้งแล้วนะฮะตั้งแต่ปี200 20เนี่ยปฏิรูปมา 2-3 ครั้งนะแต่การาศึกษาคณะสงฆ์เนี่ยปฏิรูปครั้งสุดท้ายนะสมัยรัชกาลที่6ก็คือเกือบ100ปีที่แล้วโดยพระมหาสงฆ์เจ้าหลวงพ่อใหญ่วิัยยาละโรุ ซึ่งเป็นปลูกและซึ่งเป็นน้องของลันธุ์ที่ห้าแล้วก็เป็นเป็นน้าของลันธุ์ที่หกท่านเี่ยมากก็มีควารรมัังกรสับนิ้วหลังก็ปฏิรูปการศึกษาได้อย่างน่าขึ้นชมแต่ว่านั่นคือเมื่อหลายปีที่แล้วผ่านมาหลายปีแค่มีการปฏิรูปการศึก ษ, ษาคณะสมฆ์ยมันเป็นไปได้อย่างไรการศึกษาเขาเนี่ยปฏิรูปมานในช่วง40ปีเนี่ย 3-4 ครั้งน ระดับปรตูรูปเนี่ยก็ยังมีปัญหาเลยนะผลสอบพิสตาก็ยังยังอยู่ในอันดับ้วยนีนักภาษาเละมารการสายคณราสมซึ่งถูกทิ้งมาเป็นร้อยปีนะมก็ออกผลออกมาเนี้คือว่าถ้าเราถนัดข้องจังมากกว่าการที่จะสอนธรรมะแบบสื่อให้คนรุ่นสมัยเข้าใจชนที่เข้าถึงสาระขอ ง, งหลักธรรมอันนี้ก็ฝากไว้เพื่อช่วยกันแก้ไขกั น, กน ขออนุญาเตเป็นคำถามสุดท้ายครับัดานี้ครับขอบคุณมากครับที่เป็นคำถามสุดท้ายานักนตะกี้ท่านอาจารย์ได้ชื่นชมาการงนางของนุ้ยบูดาว่าเป็นการพาขงของภารวาทุนคับนะคะ แล้พอจารย์ในฐานะของพระที่มีชื่อเสียงมากเลยรู้สึกเลยท่านจะส่งเสริมการงานขอพระอุปั้ฌาย์อะไรคะทุกวันที่ตรมาก็เป็นความรู้ให้จะไม่ผุดใดนะครับความสายข้าหมุขานุแต่ต่อมาก็ไปช่วยหลายหลายหน่วยงานนะเช่นเครือข่ายกุทิการะมาก็เป็นประธานรักงานก็พยายามผลักดันหลายประเด็นหลายเรื่องเช่นสลากําบุญ ด้วยกิจอาสาหรือว่าการเกตัวตายเพื่ชวคนตายสงบอัน น, นี้ก็ก็เป็นเป็นงานที่พยายช่วยองค์กรเพือไทยองค์กรว่าอีกหลายองค์กรเช่นหอจุลไม้เเพื่อธาตุธมา้าไปช่วยคือแม้กระทังในองค์กรของพระเนี่ยก็พยายามทาแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็อตาตมาเคช่วยทําลุ่มเสียธรรมซึ่งมมเป็นก่มพสงในชนบแต่ว่าในหลังก็ เทาลงนะเพราะว่าไม่ค่อยมีการเชื่อมโยงกันนั่งชั้นเหมือนเมื่อก่อนป้าที่เป็นผู้ใหญ่ก็มานำพากันไปเรืเองนะและนสมาชิดว่าคงต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือไม่ว่าจะเป็นภาหรือโยกครับกเาได้ข้อทํามคสอนจากพระอาจารย์ไกรสารึิสาโลไปมากไปเยวนะครับคุณวบดี้ค่ะจนวนี้ น, น, น, นะคะก็ต้ อ, ตองอขอบพระคุณนะคะ และขอกราบนมรส ก, การาาราชานะครับเดี๋ยวขออภิโมทนาดยยีนะทุกท่าน